จเจริญพรยมเดือนก่อนนึกว่าเขาจะเลือกตั้งถ้าทางนี้บอกหลวงพ่อไว้ก่อนนะบอกไว้นานบอกขอเดือนตุลาของดอยจะเลือกใช้ที่นี่เลือกตั้งศึกษาธรรมะนะฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยครั้งหนึ่งสองครั้งบางทีไม่เข้าใจฟังหลายๆครั้ง สครั้งสี่ครั้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ถ้าไปที่วัดหลวงพ่อเนะี่ยฟังสองสามครั้งก็จะเข้าใจละธรรมะจริงๆ ง, ง่ายมากเลยง่ายแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลยเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยคือเรื่องของตัวเราเองนี่เองเรื่องของกายเรื่องของใจนี่เองนี่เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิงเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมจนะต้องทําอะไรที่เหนือธรรมดา ทำอะไรเหนือธรรมดาแล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดาอันนั้นเข้าใจผิดนะการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเองนะธรรมะก็คือกายกับใจนี่เองนะกายเรียกว่ารูปธรรมใจเรียกว่านามธรรมนะให้เราศึกษากายศึกษาใจนะศึกษาไปเรื่อยตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไงความเป็นจริงของใจเป็นยังไงตัวความเป็นจริงนั่นแหละตัวธรรมะนะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจก็คือเข้าถึงธรรมะวันใดที่เราสามารถเข้าถึงความเป็นจริงของกายของใจจิตมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจวางเองนะวางเองไม่ต้องเจตนาวางถ้าเจตนาวางจะไม่ยอมวางหรอกอย่างพวกเราบางคนพยายามทำจิตให้ว่างอยากให้จิตว่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญาตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะตัวนี้ไม่มีมีแต่เรื่องรูปนามเรื่องกายเรื่องใจนะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาอะไรเนี่ยคือเรื่องกายเรื่องใจทั้งนั้นเลยถ้าวันดใดนะ ร, ร, รู้กายรู้ใจแจม่มแจ้งเข้าใจธรรมะแล้วะรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเมื่อใดเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรานะอันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมคือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราเราไม่มีตัวเราไม่มีเพราะตัวเราไม่มีเนี่ยที่ตั้งของความทุกข์จะไม่มีถ้ามันมีเราขึ้นมาก่อนนะเราจะรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราพอมีตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันก็อยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์ทันทีที่ความอยากคือตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจจะเกิดการดิ้นรนขึ้นมา จิตใจจะปรุงแต่งจิตใจจะทำงานจะดิ้นนะหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนไม่เคยได้หยุดพักจริงหรอกนจิตใจมันมีความทุกข์แต่ถ้าเมื่อใดมันเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เรานะมันก็จะเห็นธาตุขันเนี่ยกายเห็นใจนะเขาทำงานไปตามหน้าที่ของเขาจิตใจเราไม่เข้าไปแทรกแซงจิตใจเราเป็นอิสระจากกายจากใจนะแล้วก็เรียนรู้กายเรียนรู้ใจมากเข้ามากเข้าเขาจะค่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเป็นลดับลาดับไป ทีแรกก็จะปล่อยวางร่างกายก่อนร่างกายปล่อยวางง่ายปล่อยวางความยึดถือกายไปก็นะจะไม่เที่ยวสแสวงหาความเพลิดเพลินพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกแล้ว<ม>จิตใจก็จะเป็นกลางต่อรูปเสียงกลิ่นรสปฎธภาณทั้งหลายจิตใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่มีร้ายที่เรียกว่าละกามและปฏิฆะได้นี่เป็นภูมิของพระนาคามี ถัดจากนั้นการปฏิบัติธรรมมันจะรวบย่อลงมานะมันจะบีบตัวเข้ามาหาจิตหาใจอันเดียวล้วนๆเลยเพราะมันวางกายไปแล้วมันก็จะมาดูที่จิตนะดูเข้ามาถึงจิตถึงใจวันหนึ่งเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์อีกบางคนเห็นไม่เที่ยงนะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยผ่องใสได้ก็ยังหมองได้อีกมองได้ก็ยังใสได้อีกนี่ของไม่เที่ยงเอาไว้ไม่ไดนะ้ท่านก็วางบางคนเห็นจิตผู้รู้เป็นทุกข์นะทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนเลยนะทุกข์ทุ ก, ทกเหมือนจะตายนะทุกข์ประดังขึ้นประดังขึ้นนะ ตัจิตนั่นแหละตัวทุกข์ถ้าอย่างนี้ก็วางจิตได้บางคนก็เห็นมันเป็นอนัตตานะคืนให้โลกเข้าไปได้พอเราคืนจิตให้โลกได้นะมันจะไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ขึ้นมาอีกละ่ะใจมันจะโล่งอยู่ทั้งวันเลยนะใจจะมีแต่ความสุขความสงบความสบายทั้งหลับทั้งตื่นนะจะหลับจะตื่นมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเนี่ยฟังแล้วเหมือนยากถ้าต้นทางถูกนะปลายทางมันมาได้เองไม่ยากหรอก การปฏิบัติมันก็มีแต่เรื่องการเจริญสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์สติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่สติธรรมดานะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติที่รู้กายสติที่รู้ใจสติธรรมดานี่มันจะไปรู้อารมณ์อื่นๆที่เป็นกุศลเช่นเราอยากใส่บาตรอยากไหว้พระสวดมนต์อยากทาสมาธิอยากเดินจงกรมอะไรเนี่ย ม่มีสติแต่เป็นสติธรรมดาธรรมดานะแต่ถ้าเป็นตัวสัมมาสติเป็นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นตัวรู้กายรู้ใจนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปรู้สึกไปเรื่อยร่างกายเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะจะกระดุกกระดิกจะเหลวซ้ายแรกขวาเราคอยรู้สึกอย่าใจลอยนะรู้สึกเฉยเฉยอย่าไปเพ่งไว้ด้วยนะพวกเราส่วนมากนะคนในโลกส่วนมากเนี่ยมันลืมกาย ลืมละลืมกายลืมใจตัวเองทั้งวันส่วนนักปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยลืมกายลืมใจนะแต่ชอบเพ่งกายเพ่งใจชอบเพ่งนะเวลารู้ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจนะไปรู้อิริยาบถสี่เพ่งมันทั้งกายเลยรู้ท้องผ่องยุบก็ไปเพ่งท้องนะไปเดินจงกรมยกเท้ายาาั้งเท้าไปเพ่งเท้าแล้วชอบเพ่งนะการเพ่งเป็นการทําสมถะไม่ใช่การรู้ไม่เหมือนกันเนะนี่คยค่อยๆฟังหลวงพ่อไปนะต่อไปเราจะแยกแยะสภาวะได้ ว่าอันไหนรู้อันไหนเพ่งอันไหนเผลอเนี่ยถ้าเข้าใจสภาวะสามันนี้แนละ้วการปฏิบัติจะง่ายนะสภาวะแห่งการเผลอไปเช่นเราใจลอยไปเราคิดไปขณะที่เราคิดเนี่ยเรารูเรรา้เรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัตินะเรื่องอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดไม่ใช่ของจริงนะเราคิดให้เราเป็นนายกรัฐมนตรีนะนายกชายนายกหญิงคนแรกของเมืองไทยก็ได้นะนายกหญิงนะแต่จริงๆไม่เป็น หรือคิดว่าเป็นนางงามจักรวาลอะไรก็ได้นะแต่จริงๆไม่เป็นให้ความคิดเนี่ยไม่ใช่ของจริงคนส่วนใหญ่จะไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดพอตื่นขึ้นมาก็คิดคิดคิดนะคิดไปเรื่อยตอนนอนหลับก็ฝันอีกฝันก็คือคิดตอนหลับนั่นแหละคิดคิดฝันๆันทั้งวันทั้งคืนไม่เคยตื่นขึ้นมาตื่นแต่ร่างกายนะจิตใจไม่ตื่นจิตใจจะนั่งคิดนั่งฝันทั้งวัน ฟังหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทีแรกอาจจะงงนะคนที่ไม่เคยฟังไม่เคยฝึกเ จ, จริญสติตัวจริงแต่ถ้าฟังหลวงพ่อไปสองสามครั้งนะฟังซีดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยถึงจุดที่สติมันตื่นขึ้นมาเราจะรู้เลยตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยฝันตลอดเลยนะไม่เคยตื่นตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตไม่ตื่นจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยเรานั่งคิดนั่งฝันไปเรื่อยเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะ ถ้าเมื่อไรเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเราจะรู้กายเราจะรู้ใจถ้าเมื่อไรเราลืมตัวลืมกายลืมใจเราจะไปรู้เรื่องราวที่คิดนั้นอารมณ์มันมี2อันเท่านั้นเองอารมณ์บัญญัติกับอารมณ์รูปนามจิตต้องมีอารมณ์นะถ้าจิตไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยจิตจะลืมกายลืมใจหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างสมว่าเรานั่งอ่านหนังสือนะอ่านไปคิดไปนะในขณะนั้นเราอ่านหนังสือเพลิดเพลินไป สังเกตไหมเรามีร่างกายก็เหมือนไม่มีนะเราลืมไปเลยลืมกายตัวเองนะจิตใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเราก็ไม่รู้ด้วยนะหรือเรานั่งเล่นไพ่เอานั่งเล่นไพ่เพลิดเพลินนะจดจ่อในการเล่นไพ่เพลินแหมสนุกสนานเอฮานะตำรวจมาก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้อะไรหรอกลืมลืมของจริงลืมโลกข้างนอกนี้ลืมัวแต่อยู่ในโลกของความเพลิดเพลินความคิดความฝันไป ถ้าเมาื่อไรเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนะเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเมาื่อไรเราหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันนะเราจะรู้กายรู้ใจโดยอัตโนมัตินะจะรู้อัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดให้ได้นะวิธีการที่ง่ายที่สุดนะที่เราจะตื่นออกมาจากโลกของความคิดนให้เรารู้ทันว่าจิตคิดนะตรงนี้ฟังให้ดีนะ ให้เรารู้ทันว่าจิตกำลังคิดอยู่ lives, ไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดคนทั้งหลายรู้เรื่องราวที่จิตคิดไม่รู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่สองอันนี้ไม่เหมือนกันนะค่อยๆฟังค่อยๆแยกแยะไปถ้าเรารู้เรื่องที่จิตคิดเนี่ยม้าแมวมันก็รู้นะอย่างแมวมันอยากจับนกเนี่ยมันคิดอย่างนี้มันก็รู้ว่ามันใจไปจับนกนะแต่ว่ามันไม่สามารถรู้ว่าจิตกาลังคิดอยู่ ครูบาอาจารย์วงหนึ่งคือหลวงพ่อเทียนสอนดีท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดวิธีดูหัดรู้จักจิตที่คิดนะนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยสังเกตใจตัวเองไปสังเกตไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังสลับกับคิดไปเรื่อยๆดูออกหรือยังหลวงพ่อให้เวลา สังเกตตัวเองไปสังเกตไหมฟังไปคิดไปนี่เป็นเวลาที่หลวงพ่อจะได้ฉันน้ำนะสังเกตไ้ยหนีไปหมดแล้วรู้สึกไหมใจเตลดิดเปิดเปิงไปหมดแล้วงั้นเรียนกรรมฐานนะไม่ใช่เรียนเพื่อให้รู้ธรรมะหรอกแต่เรียนเพื่อให้รู้วิธีวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือเราจะต้องรู้กายรู้ใจตัวเองให้ได้ เราจะรู้กายรู้ใจตัวเองได้ถ้าเราไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะไม่หลงเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าเรารู้ทันว่าเรากําลังคิดอยู่ถ้าเมื่อไหร่ใจเราไหลไปคิดแวบไปนะเรารู้ทันเม่าไหลไปคิดแล้วเราจะหลุดออกมาเลยเราจะตื่นในชาติพลันนะทันทีที่จิตตื่นเนี่ยจิตจะมีความสุขทันทีเลยจิตจะมีความสุขชลยแผ่วๆขึ้นมานะทันทีที่เกิดสติจิตเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุข มีความสุขโชยขึ้นมาเลยหรือไม่ก็สงบนุ่มนวล น, นะจิตที่มีความสุขจะมีความตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นจิตจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิต ท, ที่ตั้งมั่นคือจิต ท, ที่มีสมาสมาธิมันจะรู้กายมันจะรู้ใจตามความเป็นจริงได้คือปัญญาพอมีปัญญามากเข้ามากเข้าจะเกิดวิมุตต์คือปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้พอเข้าถึงวิมุตต์ก็จะเห็นนิพพานเห็นไหมธรรมะเรียงกันเป็นสายนะ ศา ส, สนาพุทธจะสอนเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผลนะเหมือนสายโซ่เลยนะฝ่ายของกิเลสตัณหาก็มีสายโซ่นะฝ่ายที่จะพ้นจากวัฏฏะก็มีสายโซ่ของมันจับต้นทางให้ได้แล้ง่ายง่ายจริงๆนะทุกวันนี้คนที่ไปเรียนที่วัดหลวงพ่อนะมันน้อยกว่านี้นะที่นี่หลวงพ่อไล่ทีละคนไม่ได้ที่วัดวันไหนถ้าคนน้อยหลวงพ่อไล่จี้ทีละคนนะส่วนมากก็จะตัวสั่นงงนงกนะกลัวนะกลัว แต่ว่าพอฟังไปถูกไล่บ้างไล่บ้างนะปเดี๋ยวเดียวหล่ะเข้าใจแล้วเห็นสภาวะใจไหลไปก็รู้ใจไหลไปก็รู้้วตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เห็นไปมากเข้ามากเข้าเวลานี้ตอนเช้าเ้านะโยมไปรายงานการปฏิบัติที่วัดหน้าฟังบางทีก็มีพระท่านไปนั่งฟังเยอะแยะเลยะลาก็ไปฟังด้วย เวลาญาติโยมมารายงานการปฏิบัติเนี่ยจะรายงานว่าหมู่นี้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันทั้งคืนบางคนบอกนะขณะนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกรู้สึกนะไม่ใช่ไม่รู้สึกใครบอกว่าดูจิตแล้วไม่รู้กายไม่จริงนะนอนหลับเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยนะจิตใจข ย, ขยับขยื่นเคลื่อนไหวรู้ได้ทั้งคืนนะมีคนหนึ่งมาบอกเลยว่าเวลาฝันนั่นคือความคิดนั่นเอง เขาเห็นเลยว่าจิตมันคิดพอคิดปั๊บมันขาดปั๊บคิดปั๊บขาดปั๊บมาสติมันรู้ทันแม้การปฏิบัติจริงๆไม่ยากแล้วเขาบอกว่าจิตใจเขาเปลี่ยนแปลงจิตใจมีความสุขนะมีความสุขฉับพลันในภาวนาไปเนี่ยไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติยิ่งเครียดถ้าเมื่อไรปฏิบัติแล้วเครียดทําผิดนะผิดแน่นอนถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยยิ่งปฏิบัติยิ่งสบายจิตจะต้องปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นมา จิตจะมีอิสระภาพมากขึ้นมากขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นถ้าภาวนาเราก็เครียดเครียดเครียดเนี่ยทผิดผิดแน่นอนนีถ้าเราสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตใจจะมีความสุขจะอ่อนจะเบานุ่มนวลสังเกตไหมจิตใจตอนนี้หลายคนรู้สึกไหมเริ่มมีความสุขมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นในจิตใ น, ในใจนะธรรมะที่หลวงพ่อเทศนะฟังแล้วสับสนนะ จับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ทนฟังไปนะหลวงพ่อไม่ได้เทศเพื่อให้จําหรอกแตนะ่เทศด้วยจิตด้วยใจจริงๆพวกเราฟังนะฟังไปสบายๆฟังไปถึงจุดหนึ่งจิตใจมันจะสงบจิตใจมันจะสบายจิตใจมันจะตื่นขึ้นมานะอย่าง CD ดีหลวงพ่อฟังแล้วไม่ค่อยเคลิ้มนะหายากนะที่บอกว่าฟังแล้วก็เคลิ้มหลับไปเนี่ยไม่ค่อยมีนะนะมีแต่ยิ่งฟังยิ่งตื่นยิ่งฟังยิ่งตื่นนะตื่นขึ้นได้ทั้งวันทั้งคืนนะปึกไป จริงๆการปฏิบัติเราง่ายสมัยก่อนไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะท่านก็สอนทุกองอ่เหมือนกันหมดเลยบอกง่ายวันใดที่เราภาวนาแล้วเรารู้สึกยากเหลือเกินสับสนเหลือเกินหยุดเลยทำผิดละที่ถูกต้องง่ายสติต้องเกิดเองไม่ใช่บังคับให้เกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้สติต้องเกิดเองทำไงสติจะเกิด ถ้าจิตเรารู้ทันจิตใจตัวเองรู้ทันสภาวะรู้ทันความขยับกระเยื่นเคลื่อนไหวต่างๆในจิตในใจเรานะรู้ทันความรู้สึกต่างๆที่เกิดในจิตในใจเรามันจะตื่นขึ้นมานะงั้นนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตใจของเราไปสังเกตอย่างสบายๆนะสังเกตอย่างสบายๆ ส, สังเกตออกไหมฟังไปบางทีใจหนีแวบไปคิดเรื่องอื่นเลยนะหนีไปจากสาราลุงชินเลย บางทีก็ฟังไปฟังไปมีความสุขขึ้นมานะให้รู้ว่ามีความสุขฟังแล้วก็หนีไปคิดนะหนีไปที่อื่นเลยก็รู้ว่าจิตมันหนีไปแล้วนะฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อพูดก็รู้ทันว่ากาลังคิดอยูนะ่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยเกิดความรู้สึกงงเกิดความรู้สึกสับสนให้รู้ว่ากำลังงงกาลังสับสนอยูนะ่นี่การเรียนธรรมะที่เป็นภาคปฏิบัตรจริจริงๆเรียนกันอย่างนี้นะรง่ายนะ เรียนดูจากของจริงไม่ใช่มานั่งฟังให้รู้เรื่องธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังมันเป็นธรรมะเฉพาะตัวนะธรรมะนะของใครของคนนั้นนะตัวใครตัวมันรู้ได้เฉพาะตัวเอามาแจกกันไม่ได้หรอกบอกได้แต่วิธีการนะวิธีการก็คืออย่าเผลอไปนะรู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วก็พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกเองจิตใจขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหวมันจะเห็นได้เองนะแล้วก็อย่าไปเพ่งใส่มันถ้าเพ่งแล้วใจจะแข็งแข็งทื่อ หลายคนชอบเพ่งนะเพ่งกายเพ่งใจจนมันแข็งทื่ออันนั้นใช้ไม่ได้เราต้องปล่อยให้กายให้ใจนี้เขาทำงานไปแล้วเรามีหน้าที่ตามรู้ตามดูตามดูไปจนวันหนึ่งเห็นความจริงเนยะจิตใจไม่เที่ยงจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนนะจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ฝึกไปอย่างนี้วันใดเห็นว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะได้พระโสดาบันลำพังเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรายังไม่ได้โสดานะ พระพุทธเจ้าบอกคนศาสนาอื่นก็สามารถเห็นว่ากายไม่ใช่เรามีแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่จะทําให้เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราเะฉะนั้นถ้าอยากเรียนโตแล้วเรียนรัดเรียนแบบกวดวิชานะหลวงพ่อสอนคล้ายๆติวเตอร์ของพวกรามคาแหงอะไรเงี้ยนะเฉลยข้อสอบรุ่นนี้ให้ไปทาคเพียนทําเรียนหนังสือมาแล้วไปสอบเองนะไม่ค่อยทําแล้วนะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆ น, นักปฏิบัติต่ก่อนอึดมากเลยนะ ครูบาอาจารย์อยู่อีสานอยู่ไกลกว่าจะไปเรียนได้ในะลำบากมากเลยไปแล้วไม่ใช่ว่าท่านสอนนะท่านไม่ค่อยสอนเราท่านนั่งเฉยๆของท่านนั่นแหละเราก็ต้องไปดูเอาไปสังเกตเอาปฏิบัติไปนานๆท่านบอกให้ทีหนึ่งทำผิดแล้วท่านก็บอกให้ทีหนึ่งบางทีบอกก็ไม่บอกตรงๆด้วยบอกแล้วเราก็งงๆนะหลวงพ่อเคยไปนวดครูบาอาจารย์องค์หนึ่งองค์นี้ขึ้นชื่อเลยว่าไม่พูดที่หลวงปู่สาม หลวงปู่สมเนี่ยเป็นคนที่พระที่ไม่พูดเลยเงียบนะเวลาท่านไปเยี่ยมหลวงปู่โดนไปนั่งอยู่ด้วยกันสองชั่วโมงไม่พูดกันสักคำนะลูกศิษย์นึกว่าท่านโกรธกันนะจริงบอกท่านบอกไม่มีธุระอยาพูดเนะี่ยท่านมีธรรมดาไม่พูดไปนวดนวดท่านนะอยากนวดนะ่ะนวดก็ไม่เป็นนะไปขยําขยําท่านท่านก็คงทนเจ็บให้เรานวดนะนะมันอยากได้บุญให้มันนวดไปนวดนวดท่านก็นั่งเฉยนะเราก็ใจลอยสิ พอใจลอยแวบท่านหันมามองเลยไม่เต็มใจนวดก็ไม่ต้องนวดหรอกเฮ้เราว่าเราเต็มใจนะเราอยากนวดเราไปขอหนวดเราก็งงงนวดอีกนวดนวดพอใจลอยมองอีกแล้วไม่เต็มใจนวดไม่ต้องนวดหรอกโดนเข้าหลาหลายทีรู้เลยอ๋อจิตเราหนีไปจิตเราหนีไปเห็นไหมมาถึงยุคนี้หลวงพ่อไล่เจียวเห็นไหมจิตแอบไปคิดแล้วนะนี่บอกตรงตรง ถ้าคือหลวงพ่อบอกไม่เต็มใจฟังก็ไม่ต้องฟังหรอกดีไม่ดีมันลุกขึ้นโชคหลวงพ่อนะเจริญนิสัยคนมันดูมันดุร้ายขึ้นทุกวันนะ <c oughs> มันเครียดนะคนยุคนี้มันเครียดเพราะฉนั้นบอกอะไรก็ต้องบอกตรงๆหัดสังเกตไปใจของเราหลวงพ่อพูดให้ตลกรู้สึกไหมเวลารู้สึกตลกเห็นไหมสบายใจให้รู้ลงไปใจเราเปลี่ยนไปแล้วทีแรกเฉยๆตอนนี้ขำๆสังเกตอีกสังเกตอีก ตอนนี้เริ่มนิ่งๆแล้วรู้สึกไหมเนี่ยดูอย่างนี้นะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆดูจากของจริงไปอย่างนี้นะเอา้าคนที่มีเสื้อเป็นลูกกระต่ายเนี่ยใจลอยไปละนะเอาเสื้อแดงเนี่ยหันไปดูเขาลืมตัวเองไปแล้วนะนี่ถ้าไปเรียนที่วัดจะถ้าคนน้อยๆสอนอย่างนี้ได้นะสอนทีละคนธรรมะที่ดีที่สุดเลยอาจารย์หนึ่งกับลูกศิษย์หนึ่งเนี่ยดีที่สุดเลยสนะอนจนตัวต่อตั ว, ต ว, ตว เลยลูกศิษะ์สักิบคนย0สิบคนสาสิบคนยังพอสู้นะเจ็ดรนะ้อยแปดร้อยน่ะจนปัญญานะต้องช่วยตัวเองเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกฟังนะมีหลายคนเลยที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อนะเวลามาที่วัดเนี่ยตื่นมาเรียบร้อยแล้วเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากภูเก็ตอายุมากแล้วหลานพามารบเร้าให้หลานพามาที่ศรีราชามาถึงก็ค่อยกราบหลวงพ่อนะ ดิฉันมาเนี่ยไม่ได้มาเรียนดิฉันจะมาขอบคุณเฉยๆดิฉันฟังซีดีเข้าใจละเข้าใจละงั้นฟังไปเถอะฟังไปแล้วก็สังเกตใจของเราใจของเราทำงานไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่อยๆสังเกตไปเดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจง่ายที่สุดเลยถ้าเมื่อไรเรารู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัตินะ รู้กายรู้ใจของเราหัดรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็รู้แจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงหรอกนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาเอนะเป็นทุกข์ก็มันทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะันใดหนึ่งเป็นอนัตตาคือมันควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้นะกรรมฐานจริงๆไม่ได้เรื่องยากนะฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็สังเกตจิตใ จ, จ, จ, จไปเนะมื่อวานนะตอนกลางวานันหลวงพ่อเดินอยู่ในวัดนะ เจอเด็กที่ทำงานที่วัดเขารดต้นไม้อยู่เด็กผู้หญิงนะเพิ่งมาอยู่วัดไม่กี่วันหรอกแต่แกได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศทุกวันทุกวันในสาราเมื่อวานเดินผ่านนะแกวางสายยางลงไปนั่งลงไปไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อดิฉันเข้าใจแล้วชีวิตนี้เป็นทุกข์นะแต่ทำทั้งหมดเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาพอดิฉันเข้าใจอย่างนี้ดิฉันมีแต่ความสุข นี่คนลดต้นไม้นะคนทําสวนลดต้นไม้แกลดต้นไม้ไปแกก็ดูใจแกไปดูกายแกไปนะแกก็เห็นเลยร่างกายแกตากแดดนะแกเห็นนะร่างกายแกเป็นทุกข์นะแล้วแกก็เห็นว่ามันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ร่างกายมันโดนแดดมันก็ร้อนแหละแต่ใจของแกไม่ได้ร้อนตามไปด้วยแกรู้แกบอกเลยแกมีความสุขมากเลยนี่คนงานที่วัดหลวงพ่ออีกหน่อยจะใช้งานไม่ได้และวต้องจับไปขึ้นที่เงาะไว้นะ <笑><笑>เวลาพวกนี้รายงานการปฏิบัตินะคนฟังรังจีกลัวเลยกลัวคนไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะเป็นคนไทยใหญ่ไปสมัครทำงานมานะไปเขาต้องไปขอใบอนุญาตอะไรมาเข้ามาทำงานแต่ว่าพวกนี้จิตใจอ่อนโยนนะคนไทยใหญ่พวกเราไทยน้อยไทยน้อยก็ใจน้อยนะโมโหโยเยอะใจไม่ค่อยเย็นพวกนั้นใจเย็น ใจเย็นสงบเพอฟังธรรมะนิดๆหน่อยๆนะเขาเข้าใจเพราะนั้นจริงๆธรรมะไม่ได้ยากนะคนทําสวนเนี่ยฟังไปฟังไปก็เข้าใจเมื่อก่อนหลวงพ่อไปสุรินเข้าไปในตลาดแห่งตลาดในเมืองสุรินนะ่ะไปเจอแม่ค้าขายผักคนหนึ่งเดินผ่านนะหันกลับไปมองใหม่หลวงพ่อ เ, เป็นคนที่จิตไหวหันไปดูเฮ้ยแม่ค้านี้น่าสนใจมากเลย คนอื่นขายผักอยู่นะเมืองสุรินทร์มันร้อนนะคนอื่นหน้าเขียวหมดเลยแม่คนนี้ผักเขี่ยวในหน้าตาเบิกบานนะตอนหลังไปเจออยู่ที่วัดสาขาหลวงปูดูลภาวนาภาวนาดีนะพรขายผักไปจนเข้าใจธรรมะอผักวันนี้ขายผักอยู่ไม่มีคนมาซื้อเลยกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจนี่เห็นใจมันกลุ้มนะอความกลุ้มไม่ใช่ว่าห้ามได้ใจมันกลุ้มไม่ใช่เรากลุ้ม ใชนะวันนี้คนมาซื้อผักเยอะดีใจรู้ว่าดีใจเห็นใจมันดีใจไม่ใช่เราดีใจนะวันนี้คนมาซื้อเยอะเลยแหมเตรียมผักมาน้อยชักเสียดายแล้วความรู้สึก ง, งกเกิดขึ้นนะนี่รู้ทันว่างกขึ้นมานี่เขาภาวนาอย่างนี้นะคนขี่สามล้อก็มีนะทีบสามล้อก็มีนี่หลวงพ่อยกตัวยอย่างแบบชาวบ้านชาวบ้านนะเดี๋ยวพวกเราจะนึกว่ า, าศาสนาพุทธหมอกับชาวบ้าน นะเหมาะกับพวกไม่ได้เรียนหนังสืออะไรไม่ใช่นะคนเรียนหนังสือภาวนาดีๆก็เยอะแยะไปจริงๆศา ส, สนาพุทธเหมาะกับปัญญาชนปัญญาชนไม่ได้แปลว่าพวกคิดมากนะอย่างพวกเราจบปริญญาเราบอกว่าเป็นปัญญาชนไม่ใช่หรอกส่วนมากเป็นพวกจำเก่งปัญญาชนคือคนที่รู้จักใช้เหตุใช้ผลอะไรเนี่ยศาสนาพุทธเหมาะมากเลยเพราะศาสนาพุทธเต็มไปด้วยเหตุผลมีเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้นะ อย่างเราทำเหตุคือทำน้อมใจให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องผลก็คือจิตใจสงบนี่คือสมถะนะถ้าเราทำเหตุคือเราคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่เข้าไปบังคับกายบังคับใจแลก็ไม่เพลินหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆผลที่ได้ก็คือเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความเข้าใจนั่นแหละคือตัวปัญญาละนะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเรานี่จุดแรกนะต่อไปจะละความยึดถือในกายตอนสุดท้ายจะละความยึดถือในจิตเป็นลําดับลําดับไปเนะี่ยเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยนะหรือพวกเราบางทีเรามีศรัทธาเข้าวัดนะลงมือปฏิบัติเข้าคอร์สนะเราไปเดินจงกรมไปทําอะไรต่ออะไรขึ้นมามากมายหวังว่าจะได้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดสติไม่เกิดนะ ถ้าเราไม่รู้ว่าต้นทางของสติคืออะไรต้นทางของสมาธิคืออะไรต้นทางของปัญญาคืออะไรถ้าไม่รู้เหตุมันอะ่ะอยู่ๆก็มั่วๆจะไปเอาผลนะอย่างพยายามเดินจงกรมกระแทกเท้าแรงๆหวังว่ากระแทกเท้าแรงๆ แ, แล้วมันจะไม่เผลอจะไม่ขาดสติไอ้ตรงที่อยากจะไม่มีอยากไม่ให้ขาดสตินะั่นแหละขาดสติไปเรียบร้อยละไในตอนที่ไปเดินกระแทกโคลงๆตอนนั้นไม่มีสติหรอกกาลังทําไปด้วยอํานาจบงการของความอยากสติจะเกิดไม่ได้เลย นั้นเราต้องเรียนนะต้องค่อยๆฟังว่าสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะทำได้ะงั้นมานั่งเรียนที่หลวงพ่อสังเกตไหมหลวงพ่อพูดพูดอะไรไปหน่อยหนึ่งหลวงพ่อจะต้องวกกลับมาชี้ให้ดูสภาวะอย่างขนาดนี้ใจของพวกเราเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมใจเริ่มนิ่งแล้วหัดดูอย่างนี้นะตอนนี้คนมันหลายร้อยก็ต้องสอนแบบเหมาเหมาแบบนี้นะถ้าน้อยๆก็ได้ทีละคน สังเกตไหมตอนนี้ใจเริ่มสายออกไปแล้วดูออกไหมส่วนใหญ่ใจเริ่มสายสายสายออกไปคิดแล้วนะดูออกไหมใจไม่เคยหยุดนิ่งเห็นไหมใจไม่เคยหยุดนิ่งใจทํางานตลอดเวลานะนี่เรียนกรรมฐานเรียนจากของจริงอย่างนี้นะเรียนโดยต้องเห็นสภาวะถ้าเราไม่เห็นสภาวะธรรมไม่เห็นการทํางานจริงๆของกายของใจเราก็ไม่ใช่วิปัสสนาหรอกวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะจริงๆเลยอย่างเราเห็นจิตใจของเราเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิปั ส, สนาไม่ใช่แค่การเห็นกายเห็นใจนะไม่ใช่แค่รู้อยู่ที่กายที่ใจรู้ที่กายที่ใจเพียงกายเพียงใจก็รู้ได้นในวิปั ส, สนาเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจแล้วก็รู้ถูกต้องด้วยเห็นไตรลักษณ์ด้วยเห็นความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของกายของใจตลอดเวลารู้สึกไหมร่างกายก็เปลี่ยนแปลงหายใจเข้าหายใจออกขนะยักหน้าบ้างขยับตาบ้างขยับมือบ้างขยับเอวบ้างนะเปลี่ยนท่าพลิกซ้ายพลิกขวาบ้าง คอยรู้สึกไปนะร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาดูออกไหมนั่งไปสักพักหนึ่งก็เมื่อยละรู้สึกไหมเนี่ยคอยรู้สึกนะนี่ของจริงในกายในใจนะนไม่ร่างกายไม่เที่ยงนะต้องขยับต้องหายใจต้องอะไรร่างกายเป็นทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเลยร่างกายเป็นวัตถุนะเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าเห็นจริงเห็นถูกต้อง มาดูจิตดูใจสังเกตไหมจิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยลองดูตอนนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งลองสังเกตดูใจเราจะคิดโน่นคิดนี่ทำโน่นทํานี่แกว่งไปแกว่งมาคอยดูนะดูของเราเองดูออกไหมไม่หยุดดูออกไหมไม่หยุดนิ่งเวลาที่อยากปฏิบัติจริงๆนะตามดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี้แหละตามดูไปเรื่อยๆดูมันทํางานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์นะ เดี๋ยวมันก็โลบเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสังเกตไหมใจทํางานตลอดเวลาดูออกกี่ยังดูได้ไหมเนี่ยใจลอยออกไปนอกวัดแล้วไปออกไปนอกสาลาลุงชินแล้ว <c oughs> นั่ น, น, นคนนี้ยเสื้อดําอะหนีไปเที่ยวแล้วดูออกกี่ยังรู้จักกี่ยังจิตที่ตื่นเป็นไงขณะเนี้ยมันรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกไหมจิตมีปีติ ไปีติก็เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันว่ามีปิตินะจิตเป็นยังไงรู้ลงไปปัจจุบันรู้ไปอย่างนั้นเลยเอาเสื้อเขียวเนี่ยใจลอยไปแล้วไปยักหนา้ากึกกึ๊กึ๊กนะใจหนีไปแล้วที่วัดหลวงพ่อก็จะมีป้ายนะมีเลขเดี๋ยวนี้เริ่มมีพัฒนาการบางคนทําป้ายชื่อเลยใส่ชื่อมาเลยนะติดชื่อเมื่อวานมีคุณอูทยัยคุณอะไรก็ไม่รู้หลายคนนะแล้วมัติดชื่อ เพราะไม่งั้นหลวงพ่อไล่ไม่ทันกว่าจะบรรยายแล้วก็รู้ว่าใครนี่นะจิตเปลี่ยนไปแล้วดูไม่ทันละเนี่ยเสื้อแดงเมื่อกี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองไปบูบหนึ่งอ่ะหัดดูอย่างนี้นะหัดดูไปคุณเสื้อเหลืองอย่าสงสัยเยอะเลยนะค่อยๆรู้สึกเอาใครรู้สึกเอาแล้วคอยดูนะดูจากของจริงในใจเราสังเกตไหมใจเราทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านเดี๋ยวหัวเราะใช่มเดี๋ยวมีความสุข เดี๋ยวก็เฉยๆรู้สึกไหมเดี๋ยวเฉยเฉยเดี๋ยวก็คขำขำมีความสุขนะเนี่ยเดี๋ยวก็งงงงงงงมากๆก็ชักหงุดหงิดนะเนี่ยค่อยดูไปดูความเปลี่ยนแปลงของมันจริงๆแล้วการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเลยการดูจิตเนี่ยมันเหมาะกับคนในเมืองนะการดูจิตดูใจเนี่ยเหมาะกับคนในเมืองเพราะว่าเราต้องกระทบอารมณ์ตลอดเวลานะเราไม่มีเวลามายกเท้าย่างเท้าอะไรหรอกนะอย่างข้ามถนนยกเท้าย่างเท้ารถก็เหยียบเอาแหละนะ เราก็ต้องดูหันซ้ายหันขวาโอ้รถเยอะกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจนะเอารถมีช่องว่างเราวิ่งข้ามไปนะข้ามไปรถเฉี่ยวใจหายว่าบเลยเห็นใจหาย น, น, น, นี่ต้องฝึกนะฝึกให้ได้อยู่ในชีวิตจริงๆของเรานี่แหละไม่ใช่แกล้งทําอะไรให้ชา้าๆนะเดินก็ชา้าๆกินก็ช้าๆทําอะไรให้ชา้าๆหวังวัสติจะเกิดนะต้องสามารถฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันให้ได้ หัดดูจากของจริงตอนนี้เลยนะตามดูจากของจริงขณะนี้ไปเลยจิตใจขณะนี้เป็นยังไงค่อยตามรู้ตามดูไปเด็กๆมันยังทําเป็นเลยหลวงพ่อเคยถามเด็กบ่อยๆเด็กที่ไปที่วัดนะบอกว่ารู้จักอิดช้าไหมเด็กก็หันไปมองน้องแวบหนึ่งหันมาบอกหลวงพ่อรู้จักรู้จักเด็กมันยังรู้จักเลยเด็กรู้ไหยแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันมองหน้าแม่นิดนึงนะแล้วก็พูดเบาๆ ใช่ใช่เกรงใจแม่กลัวแม่รู้ความจริงหารู้ไม่ว่าแม่ก็รักลูกแต่ละวันไม่เท่ากันเหมือนกันนี่หลวงพ่อไม่ได้ถามเดี๋ยวลูกมันรู้ทันแม่เนี่ยขนาดเด็กๆนะมันยังอ่านใจตัวเองได้เลยแล้วทําไมเราโตป่านนี้เราจะอ่านไม่ได้ให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆมันโกรธขึ้นมาก็รู้นะมันโลภขึ้นมาก็รู้มันใจลอยไปก็รู้ มันสุกมันทุกข์มั น, มนดีมันร้ายอะไรคอยรู้ไปเรื่อยๆมันแอบไปคิดก็รู้นีมันเป็นยังไงก็รู้มันไปเพ่งนิ่งๆเฉยๆไว้ไก็รู้ให้คอยรู้ไปเรื่อยๆรู้อย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นเลยจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ดูไปเพื่อให้เห็นความจริงแค่นี้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นนะเราอย่าไปวาดภาพนะว่าเราจะไปปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความดี ไอ้นั้นทำสมถะถ้าทำมิปัสฉนาเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจเพื่อความจริงนะไม่ใช่เพื่อความสุขความสงบความดีเพราะความสุขถาวรไม่มีความสงบถาวรไม่มีความดีถาวรก็ไม่มีนะในโลกนี้มีก็ดีชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะโลภโกรธหลงก็ของชั่วคราวเหมือนกันในความจริงมีแต่ของชั่วคราวงั้นความสุขถาวรที่เราปรารถนาเนี่ยไม่มี นะความสงบถาวรก็ไม่มีนะไปเข้าสมาธิออกจากสมาธิก็ฟุ้งซ่านอีกนะงั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อจะเอาของที่ไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติเพื่อจะอยากได้ของที่ไม่มีนะมันถึงล้มลุกลุกลครานไปเรื่อยรู้สึกไหมภาวนาไปนะวันนี้สงบเอาพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านอีกแล้วนะวันนี้ดีจิตเป็นกุศลพรุ่งนี้โมโหอีกแล้วเนะี่ยจะหมุนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยเพราะอะไรเพราะของจริงมันเป็นอย่างนั้นมันของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้ แต่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้อ่นะตัวศาสนาพุทธจริงๆคือตัวองค์ความรู้นะองค์ความรู้สูงสุดเรียกว่าอริยสัจนะปฏิบัติเพื่อให้เห็นอริยสัจนั่นเองนะอริยสัจข้อแรกคือทุกขนะ์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจนะไม่ใช่อกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์นะนั่นทุกข์อย่างโลกโลกนะทุกขสัจเนี่ยก็คือกายนี้ใจนี้นี่แหละตัวทุกขนะ์เห็นยาก เห็นยากที่จะเห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์ถ้าเมื่อไร่เห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์จริงๆจะเป็นพระอรหันต์ละนะจะข้ามโลกละงั้นถ้าใครรู้แจ้งอริยสัจนะจะข้ามภพข้ามชาตินะถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดนะนี่พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้นะอริยสัจเนี่ยเราต้องตามรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงคือเห็นอริยสัจนั่นเองเห็นในกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขว่าง ทุกวันนี้เราเห็นกายนี้เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นใจนี้เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นอย่างนี้ปล่อยวางไม่ได้นะมันก็จะหาทางดิ้นรนเพื่อจะให้กายมีความสุขถาวรเพื่อให้ใจมีความสุขถาวรจะดิ้นไปอย่างนี้เองเพราะายังมีทางเลือกนะถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นไกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยเห็นอย่างนี้ถึงจะวางนะมันไม่เอาแล้วมันทุกข์อ่ะมันจะเอาทําไมมันถึงจะวางนี่ งั้นถ้าเมื่อไร่เห็นทุกข์นะมันจะปล่อยวางเองพอเห็นทุกข์ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความดิ้นรนที่จะให้กายให้ใจมีความสุขคือตัณหาตัณหาเป็นความดิ้นรนนะความดิ้นรนในใจเราความทยานอยากเนี่ยความดิ้นรนที่จะให้กายให้ใจนี้มีความสุขให้กายนี้ใจพ้นทุกข์จะไม่มีความดิ้นรนนี้อีกต่อไปเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์นะงั้นพอเห็นแจ้งทุกข์เมื่อไหร่ก็เป็นอันละสมูทัยเมื่อนั้นตัณหาจะดับเอง ทันทีที่ตันหาดับเนี่ยจิตใจจะหมดความเร่าร้อนจิตใจจะเข้าถึงความสงบสุขเข้าถึงสันติสุขนั่นแหละคือนิโรธหรือนิพพานนะนิโรธหรือนิพพานก็คือสภาวะแห่งความสงบสันตินั่นเองจิตใจที่หมดความเร่าร้อนดิ้นรนเนี่ยนะจะสงบสันติเราจะได้สัมผัสกับสันติธรรมหลวงพ่อเลยตั้งชื่อวัดว่าสันติธรรมนะสันติธรรมก็คือนิพพานนั่นเองคือนิโรธนั่นเอง เมื่อั้นเมื่อไรรู้กายรู้ใจว่าเป็นทุกข์ล้วนๆได้นะตัณหาจะดับเองไม่ต้องคอยระวังรักษาอีกแล้วไม่เกิดแล้วนะไม่มีตัณหาขึ้นมาได้อีกแล้วนิโรธหรือนิพพานจะปรากฏต่อหน้าต่อตาแจมแจ้งอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่หายไปไหนเลยการรู้ทุกข์นี่แหละเรียกว่ามรรคละรู้ทุกข์จนกระทั่งละสมูทายแจ้งนิโรธได้นี่เรียกว่าอาริยมรรคเนี่ยธรรมะเนื้อแท้ของศาสนาพุทธนะคือตัวนี้ นั่นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นอริยสัจอยากเห็นอริยสัจให้รู้ทุกนะให้รู้กายให้รู้ใจไปไม่ใช่ให้ไปดูนิโรธไม่ให้ให้ไปดูความว่างนะหลายคนดูผิดที่ไปดูความว่างให้ดูกายให้ดูใจจนเห็นความจริงของกายของใจแลว้ววางได้ความดิ้นรนทยานอยากหมดไปการหยิบฉวยคืออุปาทานก็จะไม่มีอีกตัณหาดับอุปาทานก็ดับ พบก็คือการทำงานทางใจก็จะสิ้นไปสิ้นพบนะใจเราก็เข้าถึงสันติสุขทันทีที่ใจเราเข้าถึงสันติสุขเราจะรู้เลยนะชาติสิ้นลวชาติคือความเกิดหรือการที่จิตนี้เข้าไปหยิบฉวยรูปนามตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาไปหยิบขึ้นมาจะไม่หยิบอีกแล้วชาติสิ้นลวไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีก พรหมจรรย์อยู่จบแล้วหมายถึงการประพฤติปฏิบัติทําการศึกษาธรรมะศึกษากายศึกษาใจขอศึกษาเสร็จแล้วกิจที่ต้องทําทําเสร็จแล้วกิจที่ต้องทําเพื่อความพ้นทุกเนี่ยทําเสร็จแล้วกิจที่ต้องทําอีกไม่มีแล้วมันก็จะมีสภาวะเหมือนคนที่อยู่กับลองวิกเอนมีความสุขนะแต่พวกเราถ้าลองวิกเอนนานๆเราจะทุกข์รู้สึกไหมเพราะใจเรายัางดิ้นอีกลองวิกเอนนานๆก็ใจใ จ, ใจฟุ้งซ่านไป แต่ถ้าเราภาวนานะใจมันจะเหมือนลองวิกเอนสดๆร้อนๆนะมีความสุขมีความสุขทุกวันฝึกไปนะแล้วเราจะมีความสุขนะคนที่ไปเรียนที่วัดหลวงพ่อเวลามารายงานนะจะได้งานมีความสุขไม่ใช่เครียดนะเพราะงั้นคนที่ไปเรียนที่หลวงพ่อรับรองไม่มีบ้านะไม่มีคนบ้านะมีแต่คนบ้าไปเรียนแล้วหายบ้าแต่ว่าบ้าแล้วอย่าพาไปหาหลวงพ่อนะนะมันเสียเวลามากเลยแก้คนเพี้ยนเพียนคนหนึ่งนะ ใช้เวลาไปสอนคนธรรมดาได้ยี่สิบสามสิบคนทนะวนา mm hmm. พอสติตัวจริงเกิดก็มีความสุขพอจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิก็มีความสุขพอเกิดปัญญานะก็มีความสุขนะเกิดวิมุติก็มีความสุขมีแต่ความสุขล้วนๆเลยความสุขที่ประนีตขึ้นประนีตขึ้นหนุ่มที่ใส่เสื้อคอกลมใส่แว่นนะ่ะเมื่อกี้ทำอะไรนึกออกยังก่อนที่ หลงไปนึกออกอยังเนี่ยหลงไปให้รู้ทันใจเมื่อมันหลงไปการรู้ใจนะให้ตามหลังนะหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงอย่า ก, กลัวหลงแล้วไปจ้องไว้ก่อนให้ตามรู้ไปคุณเสื้อเหลืองหนีไปคิดทราบไหมใจไปคิดทราบไหมใจมันไปคิดให้รู้ทันว่ามันหนีไปคิดเอาเสื้อแดงลืมตัวเองแล้วเห็นมค่อยค่อยรู้สึกนะค่อยรู้สึกไป จริงๆไม่ยากอะไรสังเกตไหมใจของพวกเรามีความสงบรู้สึกไหมส่วนมากมีความสงบนมีส่วนน้อยที่หลุกหลิกหลุกหลิกไปสังเกตไหมความสงบไม่เที่ยงเหมือนกันดูออกไหมเริ่มใส่ไปใส่มาดูออกไหมนะโอสอนเหมาเหมางี้ยากนะถ้า <c oughs> <c oughs> ใจมันไม่เหมือนกันแต่ละคนอ้าวใครจะถามอะไรหลวงพ่อเชิญกับนวัตสักการ์หลวงพ่อค่ะ คือหนอูจะรู้แค่ว่าหนูหลงอะค่ะหลงคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่ไม่แน่ใจว่าคือหนูจะดูไม่ออกว่ามันเกิดดับเกิดดับคุณหนูจะรู้แค่ว่าไม่เป็นไรรู้แค่นั้นไปก่อนรู้แค่นี้ใช่ไหมคะแต่ขณะเนี้ยดวออกไหมจิตไม่ตั้งมั่น<า>ดูออกไหมห<า>จิตมันออกนอกๆดูออกไหมจิตมันไม่ตั้งมั่นถึงฐานของมันมันไปรู้อยู่นอกๆ จิตยังไม่ตั้งมั่นน ะ, ะสังเกตออกไหมไม่ต้องเกรงใจหลวงพ่อถ้าเวลาถ้าเวลาคุยอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ค่อยรู้สึกเรู้สึกไหมมันมันไปอยู่ข้างนอกเนี้ยความรู้สึกของเรามันไม่หยั่งเข้ามาถึงจิตถึงใจจริงๆริง<ะ>มันไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานของความรู้สึกตัวจริงๆ จ, จิตสงสัยอ่ะทราบไหมทราบค่ะสงสั ย, ยจิตเกิดความสงสัยไหลแว บ, บขึ้นมานะ แล้วก็รู้ทันมันอย่างเงี้ยรู้ว่าแค่อยากถามหลงแล้วรู้สึกไหมยอยากพูดแล้วเมื่อ ก, กี้เนี่ยใจไหลไปใจไหลไปตรึกไปคิดให้รู้ไปเรื่อยเรเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหมค่ะเออเนี่ยหัดดูอย่างเนี่ยนะดูลงปัจจุบันไปเรื่อยเรื่อาจะเห็นเลยมันทํางานของมันเองตลอดเวลาบังคับมันไม่ได้เ <c oughs> มื่อกี้ทําอะไร <c oughs> พยายามไปไปดูพยายามจะไปดูมันพยายามจะดูใช่พยายามจะไปดูให้รู้ทันนะพยายามจะดูอย่างผิดเลยอก็ผมไม่รู้ว่าคําขูกหรือเปล่าครับก็คือว่าผมก็รู้ไปเรื่อยกับว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าตื่นเป็นยังไงนะครับก็คือรู้ว่าเป็นยังไงไม่รู้อะไรนะรู้รู้ว่าเอออย่างเช่นเผลอก็เผลออย่างเงี้ยครับแต่ไม่รู้ว่ามันตื่นหรือเปล่าเพราะรู้สึกเฉยๆครับอ๋อจะตื่นยังว่าทุกวันจิตเหมือนตอนนี้ไหมใช่ครับทุกทุกวันเนี่ยจิตเหมือนขนาดนี้ไหมไม่เหมือน อจิตขนาดนี้เป็นยังไงขนาดนี้ครับก็มันเฉยๆครับแล้วก็มันไปกดไว้รู้สึกไหมกําลังควบคุมตัวเองอยู่ดูออกไหมไม่ออกครับนะสังเกตไหมใจขนาดนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงดูออกไหมที่ตอนที่ผมไม่เผลอหันไปเผลอตอนว่าตอนหันไปเผลอไปดูเมื่อกี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะจะหันไปดูนะอะไรเงี้ยยังยังถือว่าไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมครับ ทอออี่บอกว่าจะหันไปดูที่หลวงพอทักว่าผมเผลอไปอย่างเงี้ยครับที่หันไปดูผมก็ยพยายามรู้ตัวว่าเออกำลังจะหันไปดูนะอะไรอย่างเงี้อยอตรงนั้นตรงที่พยายามจะรู้ตัวเนี่ยเผลอเรียบร้อยล้นะเรารู้ทันความพยายามนั้นไหมความพยายามก็คือจริงๆก็คือโลภเจตนานะโลภเจตนาอยากนั่นแหละนะแล้วก็เพราะ ง, ง้นเวลาเรารู้เราเราหมุนไปนะเราก็จะคอยจงใจไว้ มันเจือเข้าไปงั้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจริงๆจะไม่เจือด้วยความจงใจออก้วให้ทำยังไงครับทำไม่ได้ให้รู้ตามที่มันเป็นนะไม่ใช่ให้ทาอะไรก็ร <c oughs> ู้ต า, ม, ามใออห้มั น, น, นเป็นแล้วจะรู้ี่า <c oughs> เออให้รู้ทันนะอันนี้เราก็ปรุงขึ้นมาไปทำให้นิ่งเห็นไะม่จิตมันปรุงแต่งได้ตลอดเวลาคือไม่ต้องสนใช่ั้ยครับดูไปว่าจะตื่นหรือเปล่าหรืออะไรไม่ต้องสนใจดูตามที่เขาเป็นนะอย่าเติมอะไรลงในการรู้ของเรารก่อนจะรู้อย่าอยากรู้นะระหว่างรู้อย่าถลาลงไปจ้องรู้แล้วไม่แทรกแสงไม่เติมอะไรลงไปอีกนะครับแล้วว่าที่ผมปฏิบัติมามีตื่นบ้างไหม ย, ง, ยงครับ เตือนเตือนแต่ว่ามันติดการบังคับตัวเองเยอะไปนะยังบังคับตัวเองมากไปนิดนึงนะคลายคลายออกไปอย่า ก, กลัวเผลอถ้ากลัวเผลอนั่นแหละเผลอส <c oughs> ังเกตไห้ใจมันนิ่งนั่นแหละเราบังคับไว้ค่อยๆไปดูนะให้กันบ้านไปไปดูให้ออกนะว่าบังคับยังไง หลวมีคำถามครับก็ถ้าถ้าสมมติผมจะมีเห็นเวลาผมไปบวชกับหลวงพ่อได้ไหมครับหลวงพ่อต้องดูก่อนนะคนจะมาสมัครบวชอยู่หลวงพ่อเยอะเลยหลวงพ่อสงสัยต้องสร้างคอนโดพระ <c oughs> เอาว่างไงนวัสการหลวงพ่อคะ่ะคือฟังเซดีหลวงพ่อมาเยอะเหมือนกันคืออยากจะทราบว่าตัวเองลองปฏิบัติแล้วอยากจะทราบว่าที่รู้รู้ถูกหรือยังเป็นกิเลสบ่อยไมวันวันหนึง ไม่บ่อยมากค่ะขนาดเนี้ยรู้สึกตัวยังคิดว่าขนาดเนี้ยรู้สึกตัวยังไม่แน่ใจค่ะเออไม่รู้สึกอ่ะ <laughs> ยังไม่ได้รู้สึกนะแต่ว่าใกล้เคียงล้วสังเกตไหมใจของเราที่มาถึงวันนี้อกับก่อนหน้าเนี้ยเริ่มไม่เหมือนกันละดูออกไหมใจเราสว่างมากขึ้นโ <c oughs> ลร่งมากขึ้นเบามากขึ้นดูออกไหมตรงเนี้ออกค่ะเออนี่เคยดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ นะแต่ยังไม่มันยังไม่เต็มที่คือบางครั้งเนี่ยค่ะอย่างบางทีรู้สึกกระวนกระวายแล้วเออคือมันกระวนกระวายไปสักพักนึ่งค่ะแล้วมันรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้มันกระวนกระวายนะแล้วมันก็หายไปเออตอนที่หายวับไปนะใจจะโล่งเลยเอออย่างนั้นใชนะ่ตรงที่เราไม่ได้เจตนาจะรู้มันไปรู้เข้าเองว่ากระวนกระวายไม่ได้เจตนารู้นะ ทันทีที่รู้โดยไม่ได้เจตนารู้เนี่ยจิตเป็นกุศลแล้วสติระลึกได้แล้วความ ก, กังวลกังวานจะกระเด็นหายไปเลยเพราะทันทีที่สติเกิด น, นะอกุศลจะต้องดับทันทีนะแล้วใจก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดียวรู้สึกไหมจะรู้ตัวได้แวบเดียวนะแล้วเดี๋ยวก็จะหลงไปใหม่ใช่นะค่ะเะั้นเวลารู้สึกตัวจะรู้ทีเราแวบเดียวนะแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยมันจะแวบบ่อยเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบนะออนะ การปฏิบัติเนี่ยเราฝึกเพื่อให้เรามีสติก็จริงนะแต่ไม่ใช่เพื่อให้มีสติตลอดเวลานี่ยเข้าใจผิดไม่ใช่ฝึกเพื่อให้มีสติตลอดเวลานะสตินะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับไปตามธรรมชาติของมันแต่เรามีสติขึ้นมาแวบเนี่ยเราจะเห็นเลยแต่กี้นี้หลงแล้วก็รู้ตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้แวบเดียวเดี๋ยวก็หลงครั้งใหม่นะรู้สึกอีกก็ความหลงก็ขาดจะกลายเป็นหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้เกิดสภาวะสองอัน หลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้ในสุดปัญญามันจะเกิดจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตจะรูะ to, ้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้ไม่ต้องรักษาความรู้สึกตัวนะะเรามีความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นเครื่องอาศัยท่านเพื่ออาศัยให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าคนไหนไม่มีความรู้สึกตัวมันจะหลงเลยหลงทั้งชาตินะหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงตั้งแต่เกิดจนตายเลยหลงวันละครั้งะไม่ตื่นขึ้นมาก็หลงไปเลยนะจนกระทั่งหลับไปเลยหลงวันละครั้งเดียว งั้นจะไม่รู้สึกว่ามันขาดช่วงเลยจะต่อเนื่องเป็นสายเดียวมันจะรู้สึกมีเราอยู่คนเดียวอยู่เงี้ยแต่ถ้าเรามีสติแวบขึ้นมาเนี่ยความต่อเนื่องนี้ขาดแนละ้ความหลงสมมุติหลงมา5นาทีพอรู้สึกตัวปุ๊บความหลงขาดแล้วหลงไปอีก2นาทีรู้สึกตัวความหลงขาดไปหลงไว้10นาทีรู้สึกตัวความห ล, ล, ลงก็ขาดไป<ม>นี่ฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปใจขยับวับขาดวับขาดวับขาดเลยนะมันจะเห็นเลยทุกสิ่งเกิดแล้วดับนี่เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะ ตรงที่หลงไปก็ไปปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมาตรงที่รู้สึกตัวขึ้นมาไม่ปรุงไม่แต่งอะไรเนีย่ยเห็นในสภาวะทั้งหลายนะเสมอภาคกันสภาวะที่หลงเกิดแล้วก็ดับสภาวะที่รู้เกิดแล้วก็ดับเสมอภาคกันไม่ใช่เอารู้นะรู้ก็ไม่ได้เอาไว้เอารู้เอาไว้แค่อาศัยเท่านั้นเองท่านถึงเทียบบอกธรรมะเหมือนเรือเหมือนแพเอาไว้อาศัยเท่านั้นเองไ ม, ไม่ไม่ต้องตกใจว่าเราฝึกแล้วสติยังขาดแวบแว บ, แวบ เป็นธรรมดาที่จะต้องขาดเพราะสติก็ไม่เที่ยงเหมือนกันรู้สึกไหมตอนส่งไมลืมตัวเองเอออย่างเงี้ยตรงตรงเนี้ยจิตที่ตื่นเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกไหมไม่เหมือนเมื่อกี้นึกออกเปล่าเมื่อกี้มันทื่อๆอยู่เนี่ยเริ่มทื่อแล้วเพราะใจสงสัยใช่ไหมเนี่ยถ้าเรารู้ลงปัจจุบันปั๊บมันจะตื่นขึ้นผังเลยะเนี่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหม แล้วยังไม่เลิกไปเกาะข้างในนิ่งๆไว้อ่ะดูออกไหม <c oughs> ไปทาให้มันทื่อๆไว้นิ่งๆอยู่อั น, นกดมันไว้อ่ะค่อยๆหัดดูไปมาส่งการบ้านค่ะ <c oughs> แล้วไงอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันพัฒนาไปถึงไหนก็คือก็มีหลงบ้างอะค่ะเวลาช่วงที่เราทำงานแต่พอนึกได้มันก็ก็กลับมาอยู่กับตัวแ ต, แต่ว่ า, มาไม่รู้ว่าถูกทางไหมแข็งแข็งไหม <ก>อึดอัดไหมเป็นบ้างบางครั้งแต่บางครั้งก็ก็คือสบายนิ่งอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเป็นบางครั้งว่าเหมือนเราเราคน้นเข้าไปค้นในจิตว่าเออเราทําอะไรเข้าไปค้นก็ให้รู้ว่ากําลังค้นอยู่น ะ, ะ, ะเวลาจิตเข้าไปค้นให้รูว้ว่าค้นจิตไปดูให้รู้ว่าไปดูหลายคนเวลาจะดูจิตเนี่ยส่งจิตไปดูรู้สึกไหมในใจเราคล้ายๆมีจอโทรทัศน์อยู่อันหนึ่งเวลาเราจะดูจิตนั้นเราส่งจิตเข้าไปดูเข้าไปกวนก ว, นกวนก่อนนะ ไปเจออะไรแล้วไปจ้องอยู่น่นอันนั้นไม่ใช่การดูจิตนะหลงไปเรียบร้อยแล้วห <Okay. S 1> นะลงตั้งแต่ไปกวานหาแล้วนะให้รู้ว่าส่งจิตไปกวานหาเนี่ยรู้ตรงนี้เลยพอดีแล้วละ่ะค่อยฝึกไปนะกราบเรียนหลวงพ่อว่าเวลาที่เรารู้สภาวะขึ้นมาแล้วก็จะจับตัวสภาวะนั้นอยู่ต่อไปหรือว่ามันจะให้เรารู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะ ยกตัวอย่างสมมติเรากําลังขับรถอยู่เรามองเห็นรถปาดหน้าเนื้อตาเรามองเห็นว่ารูปรูปนั้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันพอเราเห็นเขาปาดหน้าปุ๊บเราคิดนะแหมไอ้นี่ร้ายมากมึปาดเราจิตมีโทสะโทสะเป็นอารมณ์ปัจจุบันให้รู้ที่โทสะนะไม่ต้องไปดูคนที่ปาดเสร็จแล้วพอมีโทสะจิตไม่ชอบมันอยากให้หายเนี่ยให้รู้ว่าจิตไม่ชอบโทสะตัวโทสะเป็นอดีตแล้วจิตที่ไม่ชอบโทสานี่เป็นปัจจุบัน นี่รู้ลงปัจจุบันไปที่นี้โยมจะไปดูไอ้ตัวโทสะว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่จงใจดูมากไปถ้าจงใจดูมากไปจะทือท่อๆไปนิดหนึ่งไม่สดชื่นนะที่ฝึกอยู่พอจะใช้ได้ล้วโคะเห็นไหมตอนส่งไมโครโฟนลืมตัวเองนะเวลาส่งไมนี่นะเป็นเวลาปรับเสียนนะก็ <c oughs> ะเลยพอเวลาหลวงพ่อบอกเนี่ยส่งไม่แล้วเผลอนะคนถัดมาจะเริ่มส่งไม่แบบนี้ ไอ้อย่างงี้ก็เผลอนะะเผลอไปอีกข้างหนึ่งเผลอบังคับตัวเองสิ่งที่ผิดมันมีสองงานเผลอไปใจลอยไปเลยกับบังคับตัวเองสิ่งที่ผิดมีสองอัานอไมโครโฟนไป<ข>ไหนขอกลาบเรียนถามหลวงพ่อนะคะตอนที่กำลังถามเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะคะจะกลาบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ดิฉันภาวนาอยู่เนี่ยถูกไหมคะถูกทางไหมคะแปลกเนาะที่นี่ส่งกันบ้านแบบนี้ <laughs> จิตขนาดนี้เป็นยังไงเต้นเต้นอยู่อะคะอ่ะเต้นเต้นถูกต้องเดี๋ยวนั่งไปก่อนนะเอาคนอื่นก่อนค่เพราะตอนนี้จิตไม่เป็นปกติมันไม่ไม่เหมือนธรรมดาที่เคยเป็นนะ้นกกามรสมรหลวงพ่อค่ะมาจากนกครสวรรค์ น, นะคะแล้วได้มาศึกษาหลวงทางของหลวงพ่อประมาณเดือนพฤษภาถึงวันนี้แล้วเนี่ยบางครั้งส อ, สอนหนังสือแล้วเผลอไปทั้งวันมันรู้แต่ตอนเย็น อ, อยากเรียนหลวงพ่อว่า จะแนะนำยังไงได้บ้างคะอะไรนะแนะนําว่าการปฏิบัติเนี่ยยังต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างคือในขณะที่เราต้องคิดเนี่ยเราทํางานที่ต้องคิดเนี่ยนะเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เพราะขณะนั้นเราต้องไปรู้เรื่องที่คิดเราต้องไปรู้อารมณ์บัญญัติแล้วเผอทั้งวันเออเผอทั้งวันรู้อีกทีก็เย็นแล้วเพราะงั้นเราต้องซ้อมนะก่อนนอนกลับบ้านไปไหว้พระสวดมนต์นะทาค่ะแล้วก็นั่งสมาธิไปหรือเดินจงกรมไป แล้วก็สังเกตใจเราไปเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกหรือเราพุทโทอะไรเงี้ย <America. S 2> ใจหนีแวบไ ป, ไปคิดคให้รู้ทันว่าใจหนีไป <America. S 2> แล้วก็มาพุทโทต่อหายใจต่อใจหนีแวบอีกก็รู้อีกเ <cam' S 2> <opedia. S 1> นี่ยฝึกไปอย่างเงี้ยต่อไปเวลาเราไปสอนนักเรียนนะเราเห็นหน้าเด็กคนนี้เราจะรู้ลเลยเราชอบเด็กคนนี้มากกว่าเด็กคนนี้อะไรเงี้ยมันจะเห็นเลยเห็นเองเคยเคยเห็นตัวโกรธค่ะแบบใหญ่มากเลยแล้วพอเห็นปั๊บมันดับ ออย่างนี้ถูกไหมคะถูกต้องแล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะฝึกอดีแล้วอ๋อโยมนนนะ่นอะเมื่อกี้หนีไปคิดอนะรู้ไหมเออนะจะให้เป็นหนีไปคิดนะรู้ทันนะครับอ่ากรบาบแลมรสการหลวงพ่อครับที่เคยได้ยินว่ามันจะมีการรู้ตัวที่ผิดพลาดครับที่อย่างเช่นการรู้ตัวแบบรู้ตัวแบบคลาดแบบการการรู้ตัวแบบคลาดคลาดเคลื่อนนะครับไม่ทราบว่า จะทำอย่างไรถ้าเราเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาครับถ้าเมื่อไรรู้ว่าผิดนะเมื่อ น, นั้นจะถูกอัตโนมัตินะอย่าพยายามทำให้ถูกนะถ้าเมื่อไรพยายามทำให้ถูกเมื่อ น, นั้นจะผิดเลย อ, อยากถูกก็เป็นกิเลสล้ะเพราะฉะนั้นถ้าใจเราอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัตินี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนะหลวงพ่อเคยโดนครูบาจารย์องค์หนึ่งเคยเล่าหลายทีล้ วนนั้นไปอยู่ในวัดป่าเนี่ยเกือบสามสิบปีแล้วนะตอนเช้าเดินไปเห็นเก้าอี้หินนะอยู่ใต้ต้นไม้ร่มรื่นริมสระน้ำใจมันคิดเลยตรงนี้น่าภาวนาอยากภาวนาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยพนะระองค์หนึ่งท่านตะโกนข้ามสระน้ำมาเนี่ยบอกปราโมดอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอตอนนั้นรู้ทันเลยอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะเราเห็นความอยากเลยเนี่ยนะั้นให้รู้ลงปัจจุบันไปด้วย แค่อยากรู้ให้ถูกก็ผิดแล้วว่างไงว่าไงบางบางทีอยากแบบว่าคือพยายามดูอย่างสบายๆครับแต่รู้สึกว่ามันก็ยังมัวมัวอยู่ครับอาจารย์น่ารู้ถูกต้องแล้วนะจิตยังมัวมัวอยู่ถูกต้องแล้วใช้ไดนะ้จิตมัวรั่วมัวก็คือจิตมีโมหะรั่วมีโมหะนั่นเองโนะมหะมันจะมัวตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมใจมันไหลแวบไปรู้สึกไหมใจไม่สบายดูออกไหม ใจไม่มีความสุขหรือว่าไม่มีความสุขใจเป็นยังไงรู้อย่างนั้นรู้ไปเรื่อยตามรู้ไปนะอย่าจงใจของคุณลดความจงใจลงนิดนึงแล้วจะสบายที่ภาวานาอยู่ใช้ได้ใจเริ่มตื่นแล้วรู้สึกัหมใจเราสว่างใจเราตั้งมั่นใจเราเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นหนีไปคิดแล้วทราบไหมโ น, น, น, น, น่นคนโน้นอ่ะหนีไปคิดอีกแล้วดูออกยังมาถามหลวงพ่อว่าภาวนาถูกยังหลวงพ่อหันมาหลายรอบยังไม่ถูกสักรอบหนึ่ง กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือไม่ไม่รู้เลยว่าดูจิตยังไงไม่รู้เลยรู้รูอบ้างค่ะเคยโมโหไหมเคยค่ะแล้วเคยอิจฉาไหมเคยอิจฉามไหมเคยค่ะแล้วเคยกลัวป่ะเคยค่ะเคยกังวลไหมเคยค่ะเอาแล้วทําไมบอกว่าดูไม่เป็น รู้ <c oughs> สึกเหมือนตอนที่มันเกิดอาการพวกนั้นเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ได้รู้ว่าเป็นเรื่องผ่แล้ ว, ลวตอนที่กําลังเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยนะไม่ใช่เวลาที่จะรู้การดูจิตเราจะรู้ตามหลังนะเช่นโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธนะไม่ใช่โกรธไปรู้ไปนะนะโลภขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าโลภเสือไปก่อนแล้วรู้ว่าเสืออย่างนี้ถึงจะถูกต้องการดูจิตเป็นการตามดูนะท่านใช้คําว่าจิตตานุปัสสนา จิตานุปัสสนามาจากคําว่าจิตคําว่าอนุคําว่าปัสสนาปัสสนาคือการเห็นอนุแปลว่าตามอย่างอนุภรรยาเนี่ยภรรยาที่ตามมาทีหลังนะไม่ใช่ภรรยาตัวเล็กนะหลวงพ่อเคยดูการ์ตูนถ้าเขาวาดรูปเมียหลวงเขาจะวาดตัวอ้วนๆเห็นไหมถ้าเมียน้อยต้องตัวเรียวๆบางๆเรียกอนุเพราะตัวเล็กไม่ใช่อนุแปลว่าตามอ่มาทีหลังเนะงี่ยเราะฉะนั้นอนุปัสสนาก็คือการตามรู้ ตามรู้จิตใจของเราไปจิตใจเราโกรธขึ้นมาอ๋อโกรธไปแล้วจิตใจมันโลภรู้ว่าโลภไปแล้วจิตใจมันเผลอไปคิดรู้ว่าเผลอไปแล้วอย่าไปดักไว้ก่อนให้ตามดูเอานะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยพวกเราจริงๆเนี่ยเรารู้จักสภาวะอยู่แล้วนะถามไปเถอะกี่คนกี่คนก็รู้จักทั้งนั้นกลัวเป็นไหมเกลียดเป็นไหมกังวลเป็นไหมอิจฉาเป็นไหมดีใจเสียใจเป็นไหมสุขเป็นไหมทุกข์เป็นไหมรู้หมดทุกอย่างนะไม่ใช่ไม่รู้เด็กเล็กๆอย่างรู้เลย หน้าที่ของเราง่ายนิดเดียวขนาดนี้ความรู้สึกอะไรกําลังปรากฏอยูนะ่เช่นมันมันกำลังโกรธอยู่เกิดะระลึกได้ว่ามันกําลังโกรธอยู่นี่แหละเรียกว่ารู้นะความโกรธจะกระเด็นวับไปเลยนะใจจะตื่นมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยนะแต่ถ้าพอมันไปเห็นความโกรธปั๊บเนี่ยใจเราไม่ชอบอยากจะให้หายโกรธอันนี้จะไม่หายนะเพราะใจไม่เป็นกุศลจริงแล้วใจมีความอยากเกิดขึ้นอยากให้หายโกรธ นั้นใจก็จะอึดอัดขัดข้องใจก็จะดิ้นรนอยู่งั้นอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าการดูจิตแล้วเป็นการเข้าไปแทรกแซงจิตจิตโกรธอยู่ก็ไปแทรกแซงจะให้หายโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วมากับใครเนี้ยมากับพี่โจค่ะโจไหนโจโจโจโ จ, โจค่ะแล้วก็ไปให้อาจารย์สุรวัตรสอนแล้วไปรู้จักไหมค่ะรู้จักค่ะเออนั่นแหละไปให้อาจารย์สุรวัตรสอน แต่มีพี่เขาบอกว่าหนูเพ่งกายเพ่งใจหนูไม่เข้าใจค่ะรู้สึกไหมว่าใจของเราเวลาที่เรานึกเรื่องปฏิบัตินะกับใจตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมไม่ค่อยค่ะนึกถึงตอนก่อนที่จะหัดภาวนาตอนเด็กๆอะ่ะใจของเราตอนเด็กๆกับตอนนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือ น, นะคะ่ะเออนั่นแหละไอ้ส่วนที่เกินนั่นแหละคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมนั่นแหละที่เรียกว่าเพ่งไว้ละ พเพ่งไปแล้วก็เกิดความนิ่งนิ่งข้นนิ่งกว่าความเป็นจริงพอเราไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งนะกายกระใจเนี่ยไม่สามารถทํางานอย่างอิสระได้หน้าที่เราต้องรู้กายรู้ใจนะให้เขาทํางานไปอย่างอิสระนะเหมือนเราดูคนอื่นเราดูกายดูใจของเราเนี่ยเหมือนเราดูเด็กข้างบ้านเราไม่ใช่ลูกหลานเราด้วยนะเราปล่อยให้มันซนไปให้มันทํางานไปอย่างจิตใจเรานี่เหมือนเด็กเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะ คือเด็กคนนี้เดี๋ยวก็โมโ oh หเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็อยากน่อนอยากนี่ให้เราคอยตามดูพฤติกรรมของเด็กคนนี้ไปให้คอยตามดูพฤติกรรมของใจเราไปดูอยู่ห่างๆอย่าไปจ้องไว้ถ้าจ้องไว้ก่อนไม่ได้มันจะนิ่งๆเหมือนเราไปยืนถือไม้เรียวคุมเด็กไว้เนี่ยเด็กไม่กล้ากระดุกกระดิกนะเด็กนิ่งอันนั้นไม่ถูกต้องนะปล่อยให้เขาทํางานไปพอเขาทํางานขยับเ ย, บยื่นเคลื่อนไหวแล้วค่อยรู้เอาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไป เอาที่ว่าเป็นนักเพ่งอ่ะเมื่อกี้นี่ลืมเพ่งรู้สึกไหมเมื่อกี้นี้ใจลอยรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ทันที่ใจลอยนะพวกที่ติดเพ่งนะต้องพาให้ใจลอยบ้างเวลาใจลอยแล้วมันลืมเพ่งหลวงพ่อเคยหลอกนะหลอกพระมีพระองค์หนึ่งท่านอาวุโสกว่าหลวงพ่อท่านเพ่งมากเลยเพ่งจนเครียดมากหลวงพ่อใช้วิธีหลอกชวนท่านคุยอ่ะพอท่านคุยเพลินๆท่านลืมเพ่งก็อบอกท่านน่ยเผลอไปแล้วครับ พอท่านรู้ว่าเผลอนะท่านเพ่งปุ๊บเลยพวกเราปฏิบัติก็เหมือนกันรู้สึกไหมพอรู้ว่าเผลอก็จะมาเพ่งเลยอันนี้เป็นทุกคนนะเป็นทุกคนอนะ่ะพอท่านเพ่งหลวงพ่อก็ชวนคุยอีกไม่ยอมคุยเรื่องกรรมฐานเลยคุยเรื่องอื่นเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรเงี้นไปนะพอท่านคุยเพลินนะบอกเผลอไปละอท่านเห็นพอครั้งที่สามท่านเข้าใจละเข้าใจละเออจิตเป็นอนัตตานะจิตจะเผลอก็ห้ามมันไม่ได้นีเข้าใจเลย จิตที่มันไปเพ่งนะเราไม่อยากจะเพ่งมันก็เพ่งมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานได้เองมันเผลอเองมันเพ่งเองเนี่ยกรับเนี่ยขอโทษแป๊บหนึง่งเมื่อกี้นี้ทำอะไรก่อนจะมองคนอื่นรู้สึกไหมเผลอไปก่อนจะเผลอไปรู้สึกไหมนั่งเพ่งเหรไว้ <c oughs> เออถ้าทราบมันก็ไม่ติดสิ <c oughs> คือสภาวะทั้งหลายที่เราเข้าไปติดได้เนี่ยเพราะเราไม่เห็นต่างหากนะสภาวะทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเห็นตรงตามความเป็นจริงจิตก็ไม่เข้าไปติดนะแต่สังเกตอย่างหนึ่งนะว่าใจเรามันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมมันจะนิ่งคงที่อยู่ไปเรื่อยๆอันนั้นแหละที่พี่ๆเขาบอกว่าติดการเพ่งเขาก็บอกถูกนะแสดงว่าพี่ๆผู้นี้สอนเก่งเหมือนกันแต่ทาไมสอนแล้วแก้ให้เขาไม่ได้ใครสอน สอนเก่งนะสอนเก่งการมาสการหลวงพอ่อค่ะคือในการเวลาปฏิบัตินะคะถ้าแบบเวลาเพคือถ้าไม่เพ่งก็เผลอตอนนี้ถ้าเพ่งเนี่ยมักจะแบบเครียดประจําตอนนี้จะมีวิธีการทําอย่างไรคะที่จะไม่ให้เครียดคือเราภาวนาเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อจะเอาอย่างงน้นจะเอาอย่างนี้ไม่เอาอันโ น, น้นไม่เอาอันนี้ เราภาวนาไม่ได้เอาความสุขความสบายไม่ได้เอาความไม่เครียดไม่ได้เกลียดความเครียดแต่เราภาวนาเนี่ยสภาวะธรรมทั้งหลายเสมอภาคกันทั้งหมดเลยของคุณดูออกแล้วใช่ไหมมีสามอันเผลอไปรู้สึกขึ้นมาแล้วก็เพ่งสามอันนี้เสมอภาคกันแต่เราชอบรู้สึกตัวเราไม่ชอบเผลอกับไม่ชอบเพ่งรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นใจมันมันเพ่งนะให้รู้ทันนะว่าเพ่งเพ่งแล้วอยากหายเพ่งอยากเลิ ก, ก, ลกให้รู้ทันว่าอยากเลิกรู้ลงปัจจุบันไป เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยเสมอกันหมดเลยเผลอไปเป็นอกุศลน ะ, ะเพ่งไว้เป็นกุศลแต่เป็นกุศลแบบสมถะรู้สึกตัวเนี่ยเป็นกุศลที่จะทำมิปัสนาสภาวะสามัญเนี่ยจิตจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราเลือกไม่ได้เดี๋ยวก็เพลอเดี๋ยวก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็เพ่งเราเรียนเพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายล้วนแต่ไม่คงที่สภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันเราบังคับมันไม่ได้เหมือนๆกัน อย่างใจจะเผลอห้ามไม่ได้รู้สึกไหมใจเพ่งแล้วสั่งให้เลิกก็ไม่เลิกรู้สึกไหมความรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้เป็นไม่มีแต่คําว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นใจจะเผลอใจจะรู้สึกตัวใจจะเพ่งหรือใจจะสุขใจจะทุกข์นะใจจะสว่างใจจะมืดใจจะละเอียดใจจะหยาบอะไรก็ได้สภาวะทั้งหลายเสมอกันหมดล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์เสมอกันทั้งหมดเลย เราภาวนาไม่ใช่เอาอันหนึ่งเกลียดอันอื่นๆนะไม่ใช่จะเอาความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวก็ไม่ได้เอาไว้เอานะความรู้สึกตัวไว้เพื่อให้รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปเมื่อกี้เพ่งไปเท่านั้นเองนะในที่สุดเราก็จะเห็นเลยจิตจะเผลอห <Schön. S 1> ้ามมันไม่ได้จิตจะเพ่งห้ามมันก็ไม่ได้สั่งให้เลิกก็ไม่เลิกนะจิตที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาก็ไม่ได้นี่จะเห็นอย่างนี้ในสุดจะวางสภาวะทั้งหลายนี่จะเสมอภาคกันหมดเลยจิตจะปล่อยวางทั้งหมดเลย อยากจะพ้นทุกข์เอออยากพ้นทุกข์ไม่ได้นะไม่พน้นเะพราะตราบใดที่ยังอยากอยู่ไม่พน้นะความอยากแหละทําให้เกิดทุกข์โยมคนนี้เมื่อก่อนไปหาหลวงพ่อถึงเมืองการไปบ่อยไปบ่อยๆเจอหน้าทุกครั้งนะประกาศอยากจะพ้นทุกข์ดีหน้าอยากดีอยากจะพ้นทุกข์นะก็เลยทุกข์เล ย, เลยนะอยากพ้นทุกข์ไม่พ้นนะนะหมดอยากถึงจะพน้น ทำไมอยากพ้นทุกข์ที่อยากพ้นทุกข์เพราะเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกขนะ์ถ้าวันใดเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรามันจะไม่มีความอยากจะพ้นทุกข์อีกต่อไปแล้นะเพราะมันไม่ใช่เราจะไปอยากมันทําไมให้คอยรู้กายรู้ใจตัวเองไปนะดูใจไปจิตใจเราเป็นยังไงดูทุกวันทุกวันจิตใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยนะ กับเรียนหลวงพ่อค่ะอ๋อดิฉันรู้สึกว่าปฏิบัติแล้ว ม, มันไม่เป็นธรรมชาตินะคะไม่เป็นธรรมชาติถูกต้อง <c oughs> ดีที่รู้นะดีที่รู้อยากเป็นธรรมชาติไหมอยากก็คงไม่ดีเอออยากก็ให้รู้ว่าอยากกันแหละจริงๆแล้วการปฏิบัติง่ายกว่าที่เราคิดนะการปฏิบัติทาเหมือนเส้นผมบางภูเขา จริงๆเลยนะไม่ใช่แกล้งว่าไม่ได้แกล้งพูดไม่ได้พูดเพื่อเอาใจด้วยง่ายที่สุดเลยเส้นผมบางภูเขาเท่านั้นเองนิพพานเนี่ยคือวิราคะหมายถึงนิพพานเนี่ยเป็นสภาวธรรมที่สิ้นความอยากนิพพานคือวิสังขารคือสภาวธรรมที่หมดความดิ้นรนปรุงแต่งตราบใดที่จิตเรายังมีความอยากจิตใจเขายังดิ้นรนปรุงแต่งจิตใจเราก็ไม่เห็นนิพพาน ทำไมจิตใจมันต้องมีความอยากจิตใจต้องดิ้นรนปรุงแต่งเพราะมันมีความโง่มันคิดว่าจิตใจนี้คือตัวเราอยากให้มันมีความสุขก็เลยต้องดิ้นรนนะต้องปรุงแต่งทําอะไรเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะจนเที่ยวถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงเห็นว่าจิตใจนี้ก็ไม่ใช่เรานะจิตใจนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์คืนจิตใจให้โลกได้นะมันจะหมดความปรุงแต่งนะจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยนะธรรมะที่พุทธเจ้าสอนนะชัดเจนในตัวเอง แล้วไม่ได้ยืดเยอะอะไรง่ายๆพวกเราสังเกตไหมพระพุทธเจ้าสอนธรรมะลองไปดูในพระไตรปิฎกนะท่านสอนธรรมะเช่นอนุ ป, ปุพิกถาเนี่ยสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์นะเรื่องการออกจากกามแล้วก็เรื่องอริยสัจเนะี่ยบางทีก็สอนเรื่องสติปัฏฐานนะสอนอริยสัจสี่นะสอนธรรมะเรื่องโน้นเรื่องนี้ สังเกตไหมในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าเวลาหายใจให้กำหนดลมกี่ที่เวลาจะขยับมือให้ทำกี่จังหวะเวลาเดินจะต้องมีกี่จังหวะจะดูท้องดูเท้าดูอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าทำไมไม่สอนทำไมอาจารย์รุ่นหลังสอนแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วท่านสอนใบไม้หนึ่งกมือที่จาเป็น ส่วนตำราชั้นหลังๆเนี่ยได้สร้างอะไรใหม่ๆเกินจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนขึ้นตั้งมากมายส่วนมากที่สอนขึ้นมารุ่นหลังๆคือวิธีการคือแท็ติกต่งหกวิธีการหรือแท็กติกในการปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะตัวใครตัวมันต้องเรียนหลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เรื่องต้องเรียนเรื่องอริยสัจสให้รู้เรื่องต้องฟังเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้เราอยู่ในสาวุภูมิ ต้องฟังเรื่องอริยสัจให้รู้เรื่องต้องรู้ว่าต้องรู้ทุกนะต้องรู้กายรู้ใจรู้ตามความเป็นจริงอยากรู้ตามความเป็นจริงต้องไม่สุดต่งสองด้านไม่เผลอไปตามกิเลสไปเรียกว่าการสุขาริการุโยกไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยกให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นจิตใจก็จะหลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาเนี่ยพระเจ้าสอนธรรมะเหล่านี้ ทุกวันนี้พอหลวงพ่อเอาธรรมะเหล่านี้มาพูดนะคนชอบไปเล่าลือกันนะว่าหลวงพ่อปราโมทย์สอนธรรมะสูงเกินไปสอนยากเกินไปทำไมไม่บอกว่าให้หายใจยังไงให้เดินยังไงให้นั่งยังไงที่ไม่สอนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไวเข้าใจไหมหลวงพ่อไม่ได้สอนอะไรเกินจากที่ท่านสอนนะเพราะว่าจริงๆท่านสอนสิ่งที่จาเป็นไปล้นี่บางคนบอกว่าหลวงพ่อสอนเรื่องอริยสัจเยอะเนี่ยยากเกินไป รู้ไหมว่าอาริยสัจ ส, สีเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าของธรรมะพื้นฐานที่เรียก อ, อนุปุพิกถาพระพุทธเจ้าสอนอนุปุพิกถากะคารวาสนะกะคารวาสคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนั่นแหละครูเจ้าสอนอนุปุพิกถาสอนให้ทําทานนะทําทานแล้วดีนะทําทานอย่างเดียวไม่พอให้ถือศีลด้วยทําทานถือศีลด้วจะมีความสุขนะเรียกว่าได้สวรรค์ความสุขนี่ก็ยังไม่เที่ยงนะ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงควรจะหาความสุขที่ประณีตยิ่งกว่านี่สอนให้เห็นโทษของกามแล้ววิธีหาความสุขที่ประนีตยิ่งขึ้นไปก็คือมาเรียนรู้อริยสัจมารู้กายมารู้ใจนะเรียกว่ารู้ทุกนี่สอนอย่างนี้นะสอนอันนี้ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วอย่างพระยศ ะ, ะพระยศ ะ, ะกับเพื่อนหลาย10บองค์ก็ฟังธรรมะอันนี้แหละ พอพระยศศากฟังอันนี้พระยศศากได้พระโสดาบันพวกเราฟังเหมือนพระยศศากเขาไม่ได้นะเสร็จแล้วพ่อของพระยศศากมาพระพุทธเจ้าเทศธรรมะอันนี้ซ้ําเป็นครั้งที่2องพระยศศากฟังครั้งที่สองบรรลุพระอรหันต์แต่พ่อได้พระโสดาบันแม้ธรรมะอันนี้เห็นไหมไม่เห็นมีเลยว่าไปเดินท่าไหนไปนั่งท่าไหนทําไมเขาได้ธรรมะเพราะเขาเข้าใจสภาวะธรรมเขารู้ว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเขาเห็นลงไปจริงๆ เวลาฟังธรรมะไม่ใช่ฟังไปคิดไปแต่ฟังธรรมะแล้วต้องคอยสังเกตกายสังเกตใจตัวเองสังเกตไหมร่างกายที่นั่งอยู่นี่มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนั่งอยู่ตรงนี้มันกระดุกกระดิกได้นะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกจิตใจก็หนีไปหนีมาดูออกไหมเนี่ยดูลงไปอย่างนี้สิเดี๋ยวก็ได้ธรรมะเองธรรมะง่ายสุดๆเลยนะไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลําบากอะไรเลยนี่เราไปเชื่อว่าธรรมะจะต้องยากต้องลําบากนะมันยากถ้าเราไปคิดเอาเอง หรือเราไปทําตามๆกันหลวงพ่อเองตอนไปบวชนะหลวงพ่อไปลาลูกศิษย์หลวงปูด่ดูลุ่นพี่ท่านชวนหลวงพ่อบวชหลวงพ่อไปลาท่านว่าผมจะไปบวชละะท่านก็ไวใ้ใจให้พรใหญ่เอาเลยนะลุยเลยนะสู้ตายเอาให้แตกหักให้ได้ให้มันสิ้นธุระเลยนะเร็วๆด้วยต้องเร็วๆด้วยนะเรียกร้องเยอะโอ้โพอบวชนะหลวงพ่อเดินจงกรมหามลุ่งหามค่ำเลยเพราะอะไรเพราะลูกศิษย์รุ่นพี่เนี้ยท่านเดินจงกรม ท่านชอบเดินจงกรมเราก็เอาอย่างท่านนะเดินตะบี้ตะบันเดินนะจนเดี่ยงเลยนะเดินอยู่เดินครึ่งนะกลางพรรษาแล้ววันหนึ่งตอนบ่ายๆนะ เ, ออเดินไม่ไหวแล้วนะก็ยังไปเกาะระเบียงลูกกลงนะยังไม่เลิกนะดูไปนอกวัดเห็นภูเขาอยู่สามลูกเรียงกันอยู่เฮ้ภนะูเขาสามลูกนี้ไม่มีน้ำหนักเลยแต่เราปฏิบัติอีท่าไหนใจของเราหนักยิ่งกว่าภูเขาอีกนะภูเขาที่เรามองเห็นไม่มีน้ำหนักแต่ใจเรามีน้ำหนักเราต้องทำผิดแล้วนะรู้เลยว่าทำผิดละ หลวงพ่อทางใครทางมันสิวะต้องมีว้าด้วยนะเพราะหลวงพ่อค่อนข้างจะนักเลงนะไม่ใช่อันภานนะนั่รเลงกับอันถานไม่เหมือนกันหลวงพ่อไปลากเก้าอี้มาเลยไม่เดินมันละนั่งมันตรงนี้แหละนั่งดูจิต ด, ดูใจตัวเองนะใจที่เคยหนักก็คลายออกคลายออกมันทางใครทางมันนะอคนไหนถนัดเดินเดินคนไหนถนัดนั่งก็นั่งนะคนไหนถนัดนอนก็นั่งนะออถนัดนอนแล้วนอนก็เสร็จสินะถนัดอะไรเอานะั้นแหละยกเว้นถนัดนอนนะ คนไหนถนัดจะรู้กายก็รู้กายคนไหนถนัดรู้ใจก็รู้ใจเวลารู้รู้อย่างที่เขาเป็นนะไม่ใช่รู้อย่างแทรกแซงไม่ใช่ไปกำหนดมันนะกำหนดนี่ก็ไม่มีนะในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นสติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากาหนดเนี่ยมีภาษาบาลีมีคำว่าทุกขังอริยสัจจังปาลินเยยยังทนะ่านบอกว่าทุกขสัจเป็นของควรรู้รอบนี่แปลอย่างนี้นะ ของเราคนไทยเราชอบมาแปลว่าทุกเป็นของควรกําหนดรู้ปรินเยยยายงไม่ได้แปลว่ากําหนดรู้ปรินเยยยายงมาจากคาว่าปะริปะริแปลว่ารอบเยยยายงมาจากคาว่ายารากศัพท์ของมันคือยายอหญิงสระอาแปลว่ารู้ปรินเยยยายงก็ควรรู้ให้รอบควรรู้รอบหมายถึงอะไรรู้รอบในกองทุกก็คือรู้กายรู้ใจนั่นเองนะไม่ใช่รู้อันใดอันหนึ่งนะ รู้รอบเลยเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจแล้วแต่สติมันจะระลึกนะไม่ใช่จงใจว่ารู้อันเดียวมันรู้ทั้งหมดแหละในขันห้ารู้รอบหมายถึงว่ารู้ตรงตามความเป็นจริงด้วยว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราอย่างนี้ทุกขังอริยสัจจังปรินิยังผู้เจ้าสอนง่ายๆของเราจะมารู้กายจะรู้ยังไงดีจะรู้จิตเจ้าจิตไปตั้งไว้ที่ไหนก่อนนะจะตั้งไว้ตรงลิ้นปี่หรือตั้งไว้ที่ลูกกระเดือก หรือตั้งไว้ที่หน้าผากหลวงพ่อก็เคยสงสัยเหมือนกันนะสมัยหัดแรกๆเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนอนะกะว่าท่านจะบอกว่าตั้งที่ลิ้นปี่นะจะได้ไปเจ้าเฝ้าจ้องไว้ตรงนี้นะหลวงปู่มองหน้าแวบจิตไม่มีที่ตั้งเอาแล้วสิหนักกว่าเก่าอีกนะให้มีที่ตั้งยังดูง่ายใช่ไหมไม่มีที่ตั้งความจริงไม่ได้มีที่ตั้งจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตานะ จิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจจิตเีย็ตั้งอยู่กับอารมณ์แล้วก็ดับไปกับอารมณ์นั่นเองนะเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆไม่ได้มีอยู่ดวงเดียวแล้วตั้งอยู่นานๆอย่างที่เราคิดหรอกนะนี่เราเวลาได้ยินบอกให้ดูจิตเนี่ยถ้าคนไหนดูซื่อๆนะเขาก็ดูไปเลยจิตใจของเขาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายเขาก็ดูเป็นละของเราถ้าคิดมากนะจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนดีเนี่ยดูไม่เป็นหรอกนะหรือจะดูลมหายใจ บอกว่าหายใจให้จังมีสติอานาปานาสตินะคือหายใจนะมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอนาปานาสติกนะ็มีสตินะมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราก็กลายเป็นว่าจะเอาสติไปจ้องลมหายใจตรงไหนบ้างจะตั้งจ้องที่ปลายปากปลายจางอยปากที่จมูกหรือทีนะ่เพดานปากที่หน้าอกนะหรือที่ท้องนะเหนือสะดือ2นิ้วอะไรเงี้ย นี่เราคิดเอาเองเราพูดเอาเองทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้นะพวกเราต้องระลึกขึ้นมาให้ได้นะว่าพวกเราคือลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะส่วนสิ่งที่ครูบาอาจารย์ชั้นหลังท่านสร้างขึ้นมานั้นเป็นอุบายเฉพาะตัวของท่านท่านทําอย่างนั้นแล้วดีท่านทําอย่างนั้นแล้วดีแต่เราทําอย่างท่านไม่จําเป็นว่าต้องดีถ้าเราจริตเหมือนท่านทําแล้วก็ดีเหมือนท่านถ้าจริตนิสัยต่างกันก็ไม่เหมือนท่านนะทำไม่ได้อย่างท่านทางใครทางมันนะจริงๆกรรมฐานเนี่ยทางใครทางมัน มีสติขึ้นมารู้ทันกายรู้ทันใจไปรู้ไปเรื่อยๆใครถนัดจะรู้อะไรก็รู้นั้นแหล ะ, ะกราบธนะมรมสกานหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านค่ะคือว่าตอนนี้เวลาทำงานนะคะบางทีก็พอก็จะรู้สึกุตัวขึ้นมาแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะเพ่งขึ้นมาทันทีนะคะ่ะก็ะเลยปล่อยใจให้มันลอยๆเผลอๆไปแล้วเดี๋ยวค่อยรู้ใหม่ะคะ่ะหลวงพ่ออันนั้นก็เป็นอุบายเป็นแท็ติกเหมือนกันนะ ถ้เป็นหลักของการปฏิบัติก็คือเผลอไปรั่วเผลอรู้สึกตัวก็รู้ว่ารู้สึกเพ่งก็รู้วเพ่งนี่เป็นหลักนะแต่ถ้ามันเพ่งมากจนกระทั่งเครียดก็ต้องมีอูบายอูบายเป็นเครื่องแก้อูบายไม่ใช่หลักนะถ้าเราหลงอูบายมากๆไม่ดีจะกลายเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายอูบายมากไม่ดีแต่ว่าใช้เมื่อจําเป็นเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใจเราไปเกาะอะไรนิ่งๆ น, นะเวียงมันให้กระเด็นออกไปเลยหลงไปเลยห ล, ล, ลงแล้วรู้สึกเอาใหม่ แต่ว่าหลวงพ่อฝากไว้นิดหนึ่งนะเวลาพวกเราที่ทํากรรมฐานทํำมิปัสสนานี่ไม่เหมือนทําสมถะนะสมถะเนี่ยมันจะคอยบังคับกายบังคับใจตัวเองนะไม่ค่อยมีอันตรายอะไรกับคนอื่นเขาหรอกแต่ว่าทํำมิปัสสนานี่เราไม่เก็บกดนะจิตมีกิเลสเรารู้ว่ามีกิเลสเราไม่ได้ละนะเพราะฉะนั้นศีลจําเป็นมากนะพวกเราต้องถือศีล5้าอย่างต่ําที่สุดต้องถือศีล5เพราะงะั้นอย่างเวลาจิตของเรามีความโกรธเกิดขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธเนี่ย มันอยากต่อยเขาต้องรู้วนะ่าอยากต่อยนะอยากตบต้องรู้ว่าอยากตบนะอยากกระแนกกระแหนต้องรู้ว่าอยากกระแนกระแหนนะเนี่ยถ้าไม่รู้ทันตรง น, ห น, หนี้ iment, ม, น ola, มันจะผิดศีลห้าแต่สมมติมันอยากแล้วอยากตบเต็มทีแล้วเก็บมือเก็บเท้าไว้นะนึกถึงศีลของเราไว้ให้ดีนะตั้งสัจจะอย่าผิดศีลศีลจําเป็นมากนะศีลจาเป็นมากถ้าเราไม่รักษาศีลไม่ตั้งใจสมาทานศีลเอาไว้ในใจเราศีลไม่ต้องขอใครนะไม่ต้องมาขอพระนะศีลมันคือเจตนาที่จะงดเว้นการทําบาปอกุศลหอย่างนั่นแหละ เราก็ตั้งใจงดเว้นซะพอกิเลสเกิดมาเราคอยรู้ทันมันใช้กิเลสรุนแรงเนี่ยนะมันอยากทําผิดศีลแล้วเราไม่ทำํำอันนี้ยใช้ศีลมาช่วยะศีลเหมือนปราการด่านสุดท้ายเลยนะที่จะไม่ให้เราทําชั่วกราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีเพิ่งเริ่มปฏิบัติแต่ว่าไม่ทราบ ว, ว่ามาถูกทางหรือเปล่าอมืมาถูกแล้วมาศาลาลุงชินได้ก็ได้แล้แ <laughs> <laughs> ม่เลี้ยวเข้าบิ๊กซีไป นะให้คอยดูกิเลสตัวเองไวนะ้กิเลสยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีวันวันหนึ่งอะ่ะคอยดูกิเลสของเราเองไวนะ้กิเลสเกิดมาแล้วคอยรู้กิเลสเกิดมาแล้วคอยรู้ฝึกไปอย่างนี้ง่ายๆ่านะแต่ว่าก่อนนอนนะอย่าลืมทํากรรมฐานนะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบจําเป็นนะมีประโยชน์มากเลยอย่างเราหัดไหว้พระมีคนหนึ่งมารายงานหลวงพ่อแมาแต่ก่อนสวดมนต์เก่งนะทุกวันนี้พอสวดมนต์ได้ไม่กี่คําเนี่ยเห็นเลยใจไหลไปที่อื่นแนละ้ว ปากมันก็ยังสวดตามเดิมนะแล้วมันสวดไม่ผิดด้วยนะแต่ใจมันหนีไปเนี่ยเขาบอกเขาเห็นเลยสวด2ลงสาคำหนีแบบวบสวดสองสาคำหนีแวบบอกใช้ได้ละสวดต่อไปถ้างั้นสวดมันทั้งวันเลยแล้วดูใจที่แวบแวบเนี่ยเนะี่ยฝึกไปทุกวันต้องฝึกซ้อมนะไม่้พระส่วนมนต์ทำสมาธินะเช่นหายใจเข้าหายใจออกพุทโธนะแล้วใจเราหนีไปเราก็คอยรู้ใจไปเพ่งก็คอยรู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้ได้ได้ ที่คุณทําอยู่ใช้ได้แล้วใจมันเริ่มตื่นแล้วแต่ตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจมันกระจายออกไปข้างนอกบ้านอยู่ไหนพักขนงค่ะเอองั้นไปเรียนบ้างที่ศรีราชานะเดี๋ยฟังสองสารอบใจยังไม่ตั้งมั่นตอนนี้สติเริ่มเกิดแล้วแต่สัมมาสมาธิแท้ๆยังไม่พอนะเครื่องมือที่เราใช้นะ่ามีสตินะมีสัมมาสมาธิมีปัญญานะเครื่องมือ สติเป็นความระลึกได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดส ม, สมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการรู้อารมณนะ์ตั้งมั่นสภาวะธรรมเกิดขึ้นมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ถลำลงไปรู้ปัญญาจะเห็นความเป็นจริงของอารมณ์ของรูปนามกายใจเนะยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยเรานะให้เกิดมรรคผลนิพพาน น, า น, นีบางคนก็ต้องหัดให้มีสตินะบางคนจเจริญสติมากไป เจอเรสติตามรู้ตามดูไปจนใจถลำออกไปไม่ตั้งมั่นต้องเพิ่มสมถะเนี่ยเพราะฉะนั้นสมถ t ก็มีประโยชน์นะบางคนนึกว่าหลวงพ่อไม่สอนสมถ t ไม่ใช่น ะ, ะกับน้นำมสการหลวงพ่อครับการที่อ่านหนังสือในอที่หลวงพ่อเขียนวเนี่ยสภาวะธรรมที่เรียกว่าระหูตาแล้วก็มุตุตา กมัญญาตาและก็อุชุกตาเนี่ยนะฮะอยากให้หลวงพ่ออธิบายสภาวะธรรมดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ อ, อยากเรียนถามว่าสภาวะธรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองในขณะที่เราปฏิบัติถูกต้องใช่ไหมครับใช่โยมเข้าใจถูกต้องแล้วคือสภาวะธรรมอย่างนี้นะมันเขาเรียกว่ามันเป็นเจตสิกที่เป็นสาธารณะสําหรับจิตที่เป็นกุศล หมายถึงว่าถ้าเมื่อไรจิตเป็นกุศลเนี่ยจิตจะมีความเบาจิตจะไม่หนักนะถ้าเราภาวนาแล้วจิตของเราหนักๆขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าทําผิดแล้วจิตไม่ใช่เป็นกุศลแล้วถ้าสติตัวจริงเกิดจิตจะเบาทันทีถ้าสติตัวจริงเกิดนะจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลนะถ้าเราภาวนาแล้วจิตของเราหนักหนักแข็งๆบางคนฝึกแล้วแข็งนะกายก็แข็งใจก็แข็งอันนี้ไม่ใช่ละแล้วก็ต้องรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงเรียกกรรมญตา หมายถึงว่าสภาวะรมทั้งหลายเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันต้องควรแก่การงานหมายถึงมันต้องไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำมันถึงจะรู้วรมตามความเป็นจริงได้อย่างถ้าเรายังอยากปฏิบัติอยู่เนี่ยจงใจปฏิบัติอยู่เนี่ยจิตใจยังมีกิเลสแทรกอยู่จิตใจตัวนี้ไม่ใช่กุศลที่แท้จริงอะ่ะแต่เป็นจิต ท, ที่มีโลภะแทรกงั้นอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ว่าอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วแล้วลงมือปฏิบัติเนี่ยเพราะขณะที่อยากปฏิบัตินะโลภะเกิดขึ้นลงมือปฏิบัติ เกิดการกระทํากรรมนะกิเลสเป็นสหชาติปัจจัยของกรรมกิเลสยังอยู่ในขณะที่ลงมือปฏิบัติจิตดวงนั้นไม่ควรแก่การงานไม่มีกรรมัญญาตาจิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องมีป่าคุณตาคล่องแคล่วปราดเปรียวถ้าเราภาวนาแล้วจิตของเราซึมซไม่รู้เหนือรู้ใต้นะทำผิดแน่นอนจิตที่ซึมกระเทือไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เหนือรู้ใต้นะใช้ไม่ได้จิตต้องมีอุชุกตาหมายถึงรู้สภาวะทั้งหลายอย่างซื่อตรง ไม่เข้าไปแทรกแซงนะเห็นสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็สักว่ารู้สักว่าเห็นไปไม่แทรกแซงสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจิตของเราเกิดสัมมาสติตัวจริงนะมันเกิดเองเลยเกิดอัตโนมัติครบทุกตัวเลยนะทันทีที่สติเกิดนะจิตไม่มีราคาไม่มีโทสะนะยังไม่มีเลยจิตจะอ่อนจิตจะเบาจิตจะนุ่มนวลจิตจะคล่องแคล่วว่องไวจิตจะซื่อตรงจิตควรแก่การงานอัตโนมัติในขณะเดียวกันนั้นเลยนะ งั้นโยมคอยสังเกตวิธีทําสติให้เกิดถ้าใจเราไหลแวบไปรู้สึกใจเราไหลแวบไปไหลไปคิดนะ่ะนะใจไหลไปคิดโยมนึกออกไหมขณะจิตเนี้ยกำลังไหลไปคิดขณะเนี้ยนะก็คอยรู้สึกเอาโยมเอาของมาให้หลวงพ่อเยอะนะวันวันหนึ่งปีปีหนึ่งหลวงพ่อใช้ไม่ม